ตอนนี้ก็เป็นรายการของการขยายอายุการขยายอา ย, อายุใช่ภาษาตรงเต็มหรือเปล่าการขยายอายุ การขยายอายุคนเนี่ยทางแพทย์เขาช่วยได้แพทย์สมัยใหม่นี่ยเก็ช่วยได้สมัยโบราณพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าช่วยได้สมัยโบราณการขยายอายุไขช่วยได้น ไขนี่ก็หมายความว่าอายุไขก็คือที่จริงก็คือเลขที่นับหรืออายุตามกำหนดไขไขเท่านั้นไขเท่านี้ไข่เท่านั้นเท่านี้ไขไขก็คือหน่วยบอกกำหนดขนาดหนึ่งของเวลาเมื่อผู้ใดมีสรีระมีวิบาศ มีชีวิตของตนเองมาตามวิบากตามสรีระอันเหมาะควรก็จะมีความพอเหมาะพอดีขนาดนั้นขนาดนั้นใช้ได้ขนาดแล้วก็หมดอายุหมดอายุไขก็จะตายไปนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของสัจจะในโลกนะก็เป็นจริงทีนี้คนที่ มีอายุไขอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะแก้อายุไขจะเปลี่ยนอายุไขได้ไม่ได้หรือมีอายุไขเท่านั้นน่ะแต่เขาเองเขามีกรรมใหม่กรรมปัจจุบันเนี่เป็นตัวแปรและเามายุไขก็ไม่เต็ม ตายก่อนจะตายไปเอาโดยเอาพิษเอาภัยอะไรมาใส่ตนเองก็ได้หลายยิ่งทุกวันนี้ยิ่งมากแบบเลยดีไม่ดีโดนยิงตายเพราะไปสร้างกรรมสร้างเวรอะไรไว้ในตอนกรรมใหม่นี่แหละหรือไปเพิ่มกรรมเก่าเพิ่มกรรมเก่าก็เร็วขึ้นตายเร็วขึ้นก็ได้น่ไปเอาเชื้อโรคมาใส่ตัวเองก็ได้ นักเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาก็เกะกะระรานโดนนักเลงปล้นจี้ทำร้ายตายก็ได้ดีไม่ดีก็ไปถูกรถชนตายถูกจักรยานชนตายมีมี ม, มีจักรยานชนตายได้ที่เหมาะเหมาะล้มลงตายเหมือนกันจักรยานชนเร็วๆแรงตายได้ จักรยานยนต์นแน่นอนตายได้จักรยานทีบนึงก็ได้ได้ได้ชนตายได้เหมือนการทําเป็นปเล่นไปอย่าไปลองนะอย่าไปลองนะเพราะงั้นอายุไขของคนเนี่ยนอกจากอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเอาโรคมาใส่ตัวก็ได้หรืออุปตวิเหตุก็ได้อย่างนี้แหละนะไปเติมกรรมตัวเองที่แทนที่จะเท่านี้ไปเติมกรรมตัวเองให้คนมัน เกลชังพยาบาททำร้ายอะไรมากขึ้นเขาก็มาฆ่าเอาตายซะนี่ก่อนเวลาก่อนอายุไขจะครบก็ได้นะทีนี้คนจะเพิ่มอายุไขล่ะนะจะเพิ่มอายุไขขยายอายุไขตัวเองไปโดยทางวิบากนี่แหละได้ไหมได้คนทําดีมีแต่คนช่วย นอกจากคนทําดีและยิ่งทําดีทั้งทางกายทางมโนทางจิตกายก็คือเราไม่เอากายนี้ไปเอาพิษเอาภัยอะไรใส่กายแล้วก็ดูแลร่างกายให้มันสมดุลให้มันอยู่ได้ ด, ด้วยดีหมุนเวียนดีมีธาตุมีวิตามินมีอะไ ร, ะไรต่างๆนาน า, าอยู่ในร่างกายอย่างดียังเพียงพอไม่เกินไม่ขาด ก็อยู่ได้อีกนานเกินไปได้เพราะงั้นทางด้านโ ล, โลกทางฟิสิกส์ทางวิทยศาศาสตร์เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้เหตุปัจจัยที่ของร่างกายเขาก็เป็นชีววิทยาเขาก็เสริมหนุนร่างกายด้วยสิ่งเหล่านั้นอย่างทุกวันนี้นี่คนใช้อ stem cell มันเป็นต้นมันช่ววิทยศาศาสตร์อะไรแต่เลยพวกนี้มันยืดอยุ ไ, อยไปทางไดะหรือแม่แต่จริงๆเขาควรตายแล้วไม่ตาย ใส่เครื่องเตมยืนโรงพยาบาลเนี่ที่จริงน่ะตายแล้วหมดอายุไขไปนานแล้วแต่ใส่เครื่องใส่อะไรวัดไปชะลอกันไปไม่ไม่ร่างกายมันจบสิ้นเท่านั้นเองบางคนไม่รู้เรื่องแล้วเป็นมนุษย์พืชแล้วก็เอาเอาเครื่องเอาร่างกายนี้ไว้เท่านั้นเองอย่างนี้ก็มีเยอะแยะไปนี่คือคือทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านร่างกายภาพ ก็ต่ออายุได้หรือเราสร้างกรรมดีอย่างที่พูดไปแล้วก็สร้างกรรมดีโดยการทําให้ร่างกายเราออกกําลังกายทํา8ปดอเนี่ยก็อยู่ยืดยาวเกินกว่ากลับยืดยาวเกินกว่าอายุไขของตนเองได้ได้แน่นอ น, นทีนี้มันมีอยู่สองอย่างคือทังด้านกายภาพกับจิตภาพทางด้านกายภาพนะทั้งด้านวิทยาศาสตร์เขาก็สามารถทําทุกวันนี้คนถึงกั ตายคนรวยไม่ค่อยตายง่ายเพราะว่าชะลอได้ต่างๆนานาสารพัดที่เขามีหมอมีนักวิทยาศาสตร์ที่จะดูแลอะไรก็จัดการเพิ่มเติมทางด้านภพทางวิทยาศาสตร์ทางด้านศรีระได้ร่างกายแม่เพราะแม้จิตใจจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ช่วยจิตใจตนเองก็ตามนั่นก็ได้ส่วนพวกที่มีจิตใจจิตใจไม่ได้ไปทําให้รุกรานตัวเอง ไม่ให้เป็นทรมานตัวเองไม่ให้ท declare, ําพิดทาภัยอะไรให้แกตัวเองไม่หาพิทาภัยใส่ตนเองทั้งจิตใจเนี่ยจิตใจนี่จริงๆแล้วยิ่งดีใหญ่ยิ่งนําได้นําได้อายุยาวแล้วจิตใจก็ดีด้วยถ้าอย่างทางวิทยาศาสตร์ทั้งร่างกายนะเขาจะรออยู่ได้ก็จริงแต่ร่างกายมันจิตใจมันไม่ดีมันชะลอไปแล้วก็งงกเกินเงินมันก็ไม่ได้เรื่องได้รามอะไรแล้ว นะดีไมด่ดีชะลอเป็นมนุษย์พืชไปมันก็ยืนยาวไปมนุษย์พืชน่ะไม่พืชกบนอนแมพ non อยู่ในนั่นแหละไม่รู้สติสตังค์มัง่งไม่รู้สติสตังค์มัง่งก็อย่างนั้นแหละน่ะว่า น, นักจิวิญญาณจึงเป็นเรื่องหลักทีนี้พวกเราก็มามีความคิดว่าอยากจะขยายอายุไขมีสูตรที่จะศึกษาแล้วก็จะพยายามทา ขยายอายุไขเนี่ยเติมไปจากทางด้านวิทยาศาสตร์เขาได้ขยายอายุไขกันได้พอสมควรแล้วทีนี้จะเติมก็ต้องอาศัยทางจิตวิญญาณเมื่อเข้ามาพบามาเห็นอะไรตะไรที่อาตมาว่าอาตมานี่ไในภาคเพียนว่าอาตมาจะทำตนให้มันมีอายุเยืนเกินอายุไข ซึ่งอาตมาก็ตั้งใจจริงไม่ได้พูดเล่นและก็ภาคเพียนอยู่อาตมาจะมีความรู้ทางด้านจิตวิ ญ, ญญาณมากน้อยเท่าไรก็ตามอาตมาก็ภาคเพียนทำทีนี้ส่วนทางด้านกายภาพเขาก็มาช่วยละกายภาพ อาตมาดูแลกายภาพของอาตมาเองดูแลการพักการผ่อนการพักการเพียนดูแลการออกกำลังกายดูแลการอะไรแต่พวกนี้อย่างใน8ออเนี่ยอาตมาก็ดูแลไปแล้วพวกเราก็ช่วยกันมาดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารนะอาหารกับเรื่องของที่จะพยายามช่วยล้างพิษเอาพิษออกอะไรางี้เป็นต้น นอกนั้นก็หลายหลายออ น, นั้นอัตมาก็ดูแลตัวเองได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาทไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อ่อากาศก็พยายามก็ดูแลหาเอาอากาศมันก็อยู่ในภูมิประเทศหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อากาศมันก็นมันไม่ง่ายนะอยู่ในที่ที่มันควรจะได้อากาศที่สมบูรณ์นะ ส่วนอันอื่นๆออกกําลังกายมั่งเอ็นกายมั่งอาตมาก็ทําไปตามควรนั่นก็มีผู้ช่วยดูแลช่วยอะไรอยาตมามันิมักจะต้องทําเลยเถอดทํางานมันก็จะกลายเป็นคนมีกรรมราเมตาไว้หน่อยมันก็จะไปยินดีในงานมากหน่อยมันก็เลยก็ต้องมีคอยกํากับก็ดีก็ก็ช่วยกันไปก็พอเป็นพอไปนะอันไหนที่อาตมาเห็นว่าเอออันนี้พอได้ก็วากันไปอันไหนที่เออ ตามที่ว่าเนี่ควรจะต้องพักผ่อนก็พักผ่อนไปตามทีควรแต่แม้ที่ฉุดถึงขั้นอาชีพอาชีพพวกเราเนี่นะอาชีพพวกเรานี่ปลอดทั้งพิษทั้งด้านกายภาพยิ่งจิตปัญญาจิตใจแล้วยิ่งปลอดยิ่งรอดบรรยูปลอดภัยเป็นอาชีพที่ปลอดภัยมากนะ มันไม่ได้ไปคบหามันไม่ได้ไปอยู่กับพานชนมันไม่ได้พานชนนี่แปลว่าคนขี้โลคนะพานชนไม่ได้แปลว่าคนขี้โกรธอย่างเดียวคนรา ค, าจ ค, ค, าคะจัดก็คือคนพานคนโลภจัดก็คือคนพานคนโทสะจัดนั้นแน่นอนอยู่แล้วก็เราก็เข้าใจกันโดยปริยายมวนโมหะจัดก็คนพานคนโง่คนเยาว ค, คนไม่มีปรรัญญาอะ ก็เรียกว่าคนผ่านเหมือนกันเพราะคําคว่าผ่าล น, นี่รวมไม่หมดเราไม่ได้คบคนผ่านเราไม่ได้อยู่กับคนพานคนที่เต็มไปด้วยโลภราคะหรือโกรธจัดโมหะจัดเราไม่ได้อยู่กับคนเหล่านั้นเพราะจิตวิญญาณของเราจะไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าเขาพาเราไปสู่แวดวงของการล่อแหลมต่อการจะตายง่ายๆนะ แม้แต่ที่สุดพวกเราอยู่กับหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ย อ, อื่นๆนอกจากอาชีพแล้วมันช่วยเสริม อ, อต่างๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนัออ้นว่าอาชีพเลี่ยงชีพอยู่กับหมู่กลุ่มที่มีเสนาสนะสปายะมีบุคคลสปายะมีอาหารสปายะมีธรรมะสปายะมีสปายะสเป็นเครื่องแวดล้อม เป็นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันช่วยหมดเลยอาตมาพูดมามนานแล้วว่าพวกชาวโสกนีเราต่อไปในี่ข้อสังเกต ด, ดูเถอะดูต่อไปดูจะรู้ชาวโสมน์เนี่เหมือนกับชาวเผา่าอย่างเผ่าหันสานี่ข้อขาอ ย, ยุนยืนก็มีองค์ประกอบอะไรหลายอย่าง ธรรมะเขาก็ไม่เด่นอะไรแต่มันเป็นธรรมะโดยธรรมเขาก็มีธรรมะในตัวแต่องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมต่างๆพวกนี้พระชาวฮันซามันพาอายุยืนเช่นเขาไม่เคยได้กินเนื้อสัตว์เนื้อสุดอะไรเขาอยู่ในอากาศที่แวดล้อมดีเขามีการทํางานเขามีพวกฮันซ า, านี่ยเขาจิตใจเขาไม่ได้เร้อนจิตใจเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรอารมณ์เขาก็ดีดีกว่าคนอยู่ในกรุงคนอยู่ใน หมู่ของคนยิ่งสมัยใหม่เนี่ยอารมณ์แย่จิตใจแย่อายุสั้นดาสิ่นี้เขาจะอายุยาวก็ต้องไปหาเงินแย่ะแยะก็มาให้ช่วยร่างกายอย่างที่ว่านั่นแหละนั่งเข้าแล้วก็นั่งวีลแชร์กันนั่งรถเข็นกันแทบทั้งนั้นแหละหรือไม่ก็ต้องนอนแบบแล้วก็ต่อสายกันนะอะไรเงี้ยมันก็อยู่ได้ไปมันก็อย่างนั้นเองมันก็ไม่เห็นข้อที่อะไรเพราะงั้น ผู้ที่อยู่ในเสนาสนะอันสปายะก็คือสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมมีมิตรดี้ลไซส์ดีสังคมเป็นสังคมด้วยเป็นสิ่งแวดล้อมโดยทิศ ด, ดีบุคคลนั่นแหละสิ่งแวดล้อมสําคัญบุคคลเป็นอุปกรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่จะพาให้อายุยืนได้แน่นอ น, น เพราะมันจะไม่โหดไม่เหี้ยมไม่ทารุไม่ไ ม, ไม่ทำพิษทําภัยอะไรให้แก่กันและกันอย่างแน่นอนนะนั่นก็ชัดเจนในเรื่องของบุคคลสปายะเรื่องของอาหารเครื่องอยู่อาหารเครื่องอยู่นี่ไม่ได้หมายความว่ากินเข้าไปเลี้ยงขันร่างกายเป็นอาหารคือคําข้าวกาลิงนกราอาหารอย่างเดียวแต่พระพุทธเจ้าตรัสไปว่าอาหารมีสี่คือผัดซั ด้วยมโนสัจเจตนาหารด้วยวิญญาณด้วยวิญญาณวักไวหนะงดไว้วิญญาณไม่ต้องกล่าวถึงเอาผัสสะกับเจตนาหรือมโนสัจเจตนาความมุ่งหมายคนที่มีจิตเล่าร้อนตะกละตะกลามมุ่งหมายอะไรอะไรมากอยู่รนลานไม่รู้จักพอขี่โลกราคะจัดนั่นแหละเจตนาพ้นพุ่งพราน โกรธก็พรุ่งแน่นอนเลยว่าคนที่มีความพลังงานทางจิตนะไอ้ที่ปรุงพลานในพลังงานทางจิตไม่ใช่ร่องกายภาพนะจิตภาพนะอายุมันสั้นแน่นอนอายุสั้นแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นอาหารผัสสะและก็อาหารผัสสะนี่ยิ่งสปาร์กผัสสะนี่ยิ่งสปาร์กอายุสั้นอายุสั้นพวกกามจัดราค่าจัดนี่ตายบนอกเยอะนะตายบนอกเรือว่าตายโดยพวกนี้นะจริงๆหรืออย่าว่าแต่ผัสสะในเรื่องของเพศในเรื่องของบุคคลเลย ผัดสะในเรื่องของการสัมผัสลาบยศสันเสริญก็ตามสัมผัสใ้รูปลถกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็ตามคุณไปเสพสัมผัสโอ้วันนี้จะต้องไปกินอร่อยทางตาวันนี้จะต้องไปกินอร่อยทางหูวันนี้จะต้องไปกินอร่อยทางจมูกวันนี้จะต้องกินอร่อยทางปากทางลิ้นวันนี้จะต้องกินอร่อยทางเสพสัมผัสเสียดสีทางร่างกายนั่นแหละ ที่อาตมายแยกไงบางจริงๆมันรวมกันทั้งห้าทวารมันรวมกันแล้วคุณที่ไม่ศึกษาไม่รู้เรื่องหรอกอะไรไมันก็ดูจะพาสุขพาอร่อยไปทั้งนั้นแหล ะ, ะทั้งนั้นเสร็จแล้วคุณก็เสพสัมผัสอะไรเมื่ อ, อไรมีจุดสัมผัสที่เสพสุขจุดสุดยอดที่เรียกดนภาษาคายภาษาอังกษคลายแม็กซ์คลายแ ม, ม็กซ์ทีนึงจ่ายแครรี่จ่ายอะไรเนี่ยสปากออกมามาก เพราะฉะนั้นคนที่จ่ายมากๆพวกนี้ผัสสะมากๆโดยเจตนาก็คือคุณมีกามมันสัญญาหรือหรือมีกามตันหาเยอะมีภวะตันหาเยอะพราวะตันหาที่ทางด้านอัตตาถ้ากามาตันหาเก็ทางด้านกามเพราะฉะนั้นยังมีความเร่งร้อนทั้งทางด้านอัตตาและกามเยอะๆมันก็พาคุณมุ่งหมายเลยว่าเจตนามุ่งมาดปรารถนาจะต้องเอามาให้ตัวเองเสพ เมื่อได้เสพก็มีคลิมแอซ์ก็ทั้งเวลาที่จะลนลานวิ่งหามันก็จ่ายแล้วจ่ายแล้วรายทางแล้วจ่ายมากริน ล, ลนลานวิ่งหาเท่าไหร่มันก็จ่ายเท่านั้นแม้ที่สุดได้เสพสัมผัสทา ง, ทางตาหูจมูกร่นงกายสปาคท์ทีคุณก็สัมผัสคลิม a x ซ์ทีก็สัมผัสจ่ายไปทั้งเท่าไหร่ในแครอรี่ต่างๆในพลังงานในตัวอะไรตั้งตา่ตางนานาเพราะฉะนั้นคุณจะมีการ ได้สุกทางกามสายสุกทางอัตตาบำเรออัตตานบียบัดบำเรอทั้งกามและอัตตาสองด้านนี้อายุสั้นลงทั้งนั้นอายุสั้นลงทั้งนั้นนี่คืออาหารสี่นี่คืออาหารสี่พวกเราฟังเข้าใจไหมถ้าพวกเราฟังไม่เข้าใจอัตมา ก, ก็อธิบายให้คนข้างนอกไม่รู้เรื่องหรอก คนนอกเขายังไม่ได้ศึกษาการเข้าใจถึงเนื้อหาสภาวะอย่างนี้กันเท่าไหร่ไม่ใช่ดูถูกเขานะเขาพูดกันเป็นพยัญชนะอยู่เท่านั้นเป็นภาษาอยู่เท่านั้นแต่จะเข้าไปถึงขั้นสั จ, จจริงแกี่ยวกับสภาวะจริงของความจริงเขายังไม่ถึงกันหรอกนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการทําลายให้อายุเราสั้นทั้งสิน้นนะ ร้านพวกทมาปฏิบัติธรรมที่อยู่ในสมาธิฐิแล้วทิพากันเป็นเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมแม้ไม่สมาธิิจะเป็นพวกฤาษีเขายังอายุยืนโพลุีอายุยืนพวกป่าเขาทําพวกอะไรเห็นได้ว่าพระกรรมฐานในอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยเยอะเพราะเขาไม่หาเรื่องที่จะไปสังเคราะห์พวกนี้หยุดไงหยุดมันก็เลยไม่สปาร์คไม่จ่ายพลังงานไม่อะไรอะไรไม่ไม่ไม่ไม่มาก มันก็อยู่ได้นานอายุยาวยืนมันเรื่องธรรมดานะมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจนะอาตมานี่แม้จะทำงานมากอาตมาก็เข้าใจสิ่งที่พูดเนี่ยถ้าอาตมาไม่เข้าใจเอามาพูดพคุณฟังไม่ได้หรอกอาตมาตอนนี้ก็ตั้งใจที่จะชะลออยู่โดยจริงๆอาตมาก็บอกแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ว่าขันว่าอาตมานี่อายุไขมันไม่ถึงป่านนี้แล้วมันเลยมาแล้ว นะสิเคยพูดเคยบอกไว้ตั้งแต่ก่อนที่อาตมาจะมาถึงวันนี้โดยซ้ําไปว่าอายุอาตมานั่นพอหมาพอดีมันจะสิบสองแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้ที่มานี่โดยอธิบาตโดยภาคเพียรเพื่อจะจำที่จะทําให้มันอายุมันยืนยาวขึ้นมามาถึง80ินี้อาตมาก็คิดว่าอาตมาได้ทดสอบมาถึงขนาดนี้แล้วก็ดูทั้งสรีระดูทั้งกําลังกําลังทางร่างกายมันก็รู้ กำลังทางร่างกายของตัวเองเราก็รู้กำลังใจคุณว่าอาตมามีเท่าไหร่กาลังใจมีเท่าไหร่รู้ไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ผิดร้อยเลยกำลังใจก็ผิดไม่ผิดรอยกำลังใจมันมีเป็นรอยเต็มเพราะงั้นทางด้านกายก็เสริมทางด้านใจอาตมาก็พยายามอยู่แล้วแล้วก็ คิดว่าอาตมามีความรู้ทางด้านใจหรือจิตวิญญาณนี้มากกว่าทางด้านกายแน่นอนนะรังพวกเราก็ค่อยๆช่วยช่วยกันช่วยอาตมาไปตามลําดับทีนี้มันก็อยากจะพิสูจน์กันทางด้านผู้ที่มาศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะศึกษาทางด้านกายภาพมาพอสมควรมากพอสมควรชีววิทยาทางด้านมีศาสตร์ทางด้านกายภาพเขาก็ศึกษากันมาจนอาตมาก็กล่าวไปแล้ว ว่ทุกวันนี้เนี่ยคนมันไม่ตายง่ายเพราะว่ามันมีใครมีสตังมันก็ไม่ค่อยตายหรอกต่อสายต่อเป็นเนื้อเนนี่ไว้สเต็มเซลล์ไว้อะไรอะไรไวมันก็ทํากันมันก็อยู่ไปได้นานนะมันก็รู้รู้จะรู้วิีการที่จะต่อกายภาพได้นะแต่จิตภาพนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจกันก็จะมาเสริมทางจิตภาพด้วยโดยการจะเอาตําราพระพุทธเจ้ามาวางให้เข้าใจกันนะ เป็นสูตรที่จะสมาธิถิถ้าเกิดสมาธิถิเมื่อไร่อายุยืนได้ไม่ต้องเอามากหรอกสมาธิถิติแล้วก็มา ป, ปฏิบัติทำรรจรงิงคนที่สมาธิถิิแล้วไม่ ป, ปฏิบัติทำยังไปซอกๆจนเครืงนอกนะั้นมันไม่ยาวหรอกอายุมันก็เป็นไปตามที่เขามันมีมิตร ด, ดีสหายดีไม่มีเสนาสนะสปายะบุคคลสปายะเพื่อนฝูงคนที่อยู่ร้อมด้วยสังคมมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันไม่ครบ อาหารสปายะมันก็ไม่รู้จักโดยเฉพาะยิ่งธรรมะสปายะซึ่งเป็นแกนแก่นเลยของทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรมเขาไม่รู้จักกุศลธรรมอกุศลธรรมไม่รู้จักยิ่งโลกุตรธรรมโลกิยาธรรมยิ่งไม่รู้จักใหญ่เพราะงั้นธรรมะสปายะเขาไม่มีเลยนะสเปสปะและเทะมันก็ไม่ได้ช่วยให้อายุจะยาวจะยืนมาได้เป็นแน่แทนะนะ ทีนี้ที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องอาตมาบอกได้ว่าทําไมมันเป็นเช่นนี้เพราะอาตมาจะเป็นเช่นนี้แหละชีวิตของอาตมาจะมีวิบากถ้าไม่มีวิบากหรือไม่มีอุปสรรคนี้ไม่ใช่ชีวิตอาตมาปางนี้ปางนี้สังเกตได้ว่าใครมาครบอาตมาหรือว่าอาตมาฝามีวิบากครั้งนั้นขนาดซื้อที่นี่จากสารแท้ๆเลยนะ ซื้อที่จากศาลนี่เลยเนี่ยนะเขายังจะมาล้มเลยเนี่ยเห็นให้เป็นโมคะ ถ, ถ, ถ้าที่ดินนี้เราแพ้ศาลนะศาลตัดสินให้เราแพ้นะแล้วก็ฟ้องศาลต่อเพราะเราซื้อที่ดินนี้มาจากศาลศาลเอาที่ดินของโจรมาขายให้เราใช่ไหมก็เป็นการเอาของโจรมาขายให้เร า, าเราก็ฟ้องศาลต่อเพราะเราซื้อมาจากศาล กองบังคับคดีซื้อที่ดินนี่มาเพราะถ้าศาลตัดสินว่าเราแพ้นี่นะเราก็ฟ้องศาลต่ อ, อขอเคลมคืนนอกจากคืนแล้วคุณผิดกฎหมายด้วยคุณเอาที่โจรมาขายให้เราก็ฟ้องศาลไปในทางอาญาด้วยอนอกจากจะเคลมทางแพ่งเอาคืนแล้วเอาอาญาอีกก็เขาเอาของโจรมาขายให้เราอะก็ผิดอาญาใช่ไหมนะักกฎหมาย น, นี่นี่ไม่ใช่พูดเล่นนะพูดเรื่องจริงอะ่ะเนี่ยเรามีอุปสรรคที่พูดนี่ยกตัวอย่างขึ้นมาอุปสรรคก็เลยขยายความต่อไปเท่านั้นมันมีอุปสรรคที่ล้ที่ของเราแท้แทดูสิเนี่ยโดนมา ข, ข, ข, ขูมาเข็นมาทําอะไรอะไรเราต่างๆนานาสารพัดอย่างนี้เป็นต้นนะและไม่ใช่เล่นเท่านี้เขาไม่ได้ฟ้องเท่านั้นนะเขาจะฟ้องหมดเลยเนี่ยาอาตมาก็เปิดเผย น, นิดหน่อยเราไม่ต่อ เพราะว่ประเดี๋ยวจะไปทะเลาะวิวาดกันต่ออีกมัไม่เอานะม่ไม่มีเท่านี้อีกด้วยมีอีกอย่างนี้เป็นต้นเออมันอะไรกันนะกันหนาเนาะเราเนี่ยแต่ตมาก็ไม่ได้ท้อแท้อะไรหรอกเข้าใจอุปสรรคเป็นของมันอุปสรรคนี่เป็นเรื่องเครื่องทดสอบเรา ของมันของอะไรนะของที่จะต้องรู้ต้องศึกษาต้องอนี้แหละเราต้องทําให้ผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะ่าจะเรียกว่าเอาชนะมันก็ไม่สวยหรอกให้ทะลุทลวงอุปสรรคนี้ไปให้ได้นั่นแหละคือนักสู้นั่นแหละคือผู้ที่จะแข็งแรงผู้ที่จะเจริญผู้ที่ไม่มีอุปสรรคเลยไม่เจริญหรอกไม่เจริญไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาไม่สามารถไม่เก่งกาดไม่มี อะไรได้ความรู้ก็ไม่เกิดความฝีมือก็ไม่เกิดความสามารถอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละคนไม่มีอุปสรรคมันไม่ได้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นการเจออุปสรรคเนี่ยอาจามาก็พูดก็สอนมีโลกมีอะไรแต่มาเยอะเรื่องอุปสรรคว่าอย่าไปกลัวอุปสรรคแต่เราก็จะต้องอย่าไปประมาทอย่าไปอย่าไปท้าทายอย่าไปอวดดี อ, ดดอย่าไปหามหามกับอุปสรรคก็ไม่ได้ต้องรับอย่างอ่อนน้อถมถ่อมตน รับอย่างอ่อนอน้อมตําตนรับอย่างเข้าใจมีเมตตาเกื้อกูลไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดผู้ที่มาสร้างอุปสรรคให้เราหรือพวกเป็นตัวตัวปฏิปักษ์เป็นตัวศั ต, ว ต, วปป ต, วตรูก็ตามไม่ต้องไปเกลียดไปโกรธเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปนโดยธรรมดาของธรรมะสัสจธรรมมันจะมีอย่างนั้นไปตลอดกาลนานมันไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องประหลาดอะไรท่านราเข้าใจแล้วแล้วเราก็ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์ เป็นวัตถุปกรณ์ในการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาทุกอย่างขึ้นไป น, นี่มันเป็นเรื่องดีเอาสรุปนะตอนนี้วิทยากรก็ลงจากเครื่องบินมาแล้วมันเครื่องบินก็ต้องเป็นเลทอีกนะวันนี้มาไม่เคยมาทันทุกทีหนึ่งเลยในรายการลงเครื่องบินมานี่ทุกทีไม่เคยมาทันทนุกทีอาตมาก็เลยต้องมาเล่ามาพูดอะไรนําไปก่อนทั้งนั้นที่จะถ้าให้ท่านนี่แพูดกันมากอาตมาก็เป็นผู้มาเสริมทั้นั้นเองเป็นตัว เป็นตัวหุน่นอาตมาเป็นตัวหุ่นเท่านั้นเองที่จริงอ่ะท่านจะสถาทยายเรื่องอะไรที่จะมาเสริมหนุนอะไรใดต่างๆนานาด้า น, า น, านาจิตวิญ ญ, ญาณ น, นั่นน่ะอาตมาบอกแล้วว่าท่ามีทั้งสองส่วนทั้งจิตภาพและกายภาพทั้งจิตภาพนั้นอาตมาเองเป็นตัวหลักอยู่แล้วลอาตมาก็ถ่ายทอดพวกเราเพียงแต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะขยายผลทั้งทําตําราหรือว่าทําคําอธิบายทําหลักฐาน จากวิชาการที่จะดึงออกมาพูดกันให้รู้เรื่องมีอยู่ในเดิมนะ่มันพูดกันไม่รู้เรื่องอาตมาก็พูดไม่เก่งทางด้านวิชาการทางโลกเขาเลยก็คิดดูสิปริญญาตรีใบหนึ่งมันก็ไม่ได้อะ มันดวงเป็นอย่างงาอังไงดวงเป็นยัางง่ายจริงๆเพราะงั้นอาตมาไม่ได้ไปอาตมาไม่ได้ประหลารนาทุกวันนี้อาตมาเข้าใจทุกอย่างที่อาตมาไม่ต้องมีไอคิวเขอาตมาในปริยัติตรีไม่ได้ไมันจะอะไรคณนนาใช่ไหมไม่จริงหรอกแต่มันดวงมันต้องไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นน ะ, นะก็ไม่มีปัญหาอาตมาเข้าใจเรื่องดวงเข้าใจเรื่องพมวิคต์เข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจหมดน ะ, นะเข้าใจเรื่องตัวแปรด้วย ทุกวันนี้เนี่ยาศาสนาผู้นี้สร้างตัวแปรที่สําคัญแล้วก็กาลังจะทําตัวแปรนี้ให้มันสมบูรณ์ตัวแปรที่จะเติมไปในทางที่เราต้องการไม่ใช่แปรให้มันเสียหายแต่แปรให้มันเจริญแปรให้มันไปทางดีะจะให้แปรไปอายุยืนเป็นต้นแปรไปให้เรามีความสุขมากขึ้นแปรให้เราเป็นคนดีเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอาตมาพาพวกคุณมาเนี่ย สร้างตัวแปรให้แกพวกเราพวกเราก็ได้ตัวแปรจึงทำให้กรรมกริยาของพวกเราเป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมขึ้นแต่ก่อนนี้ไม่มีตัวแปรนี้มีตัวแปรสังคมมันยัดใส่หัวกระหมองพวกคุณมาตัวแปรเพราะนั้นคือตัวผลานโลกเป็นตัวที่ทำลายสังคมเป็นตัวแปรทุนนิยมตัวแปรของทุนนิยมมันก็ทำลายสังคมไปเรื่อยๆอัตมาก็มาสร้างให้พวกเรามาศึกษาเอาตัวแปรที่ไปทางที่จะเป็นบุญนิยม ก็จะเป็นประโยชน์คุณค่าขึ้นมาให้แก่สังคมเป็นเศรษฐกิจบุญนิยมเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความรู้ที่เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องเข้าใจและเห็นให้จริงนะแล้วเราก็ต้องศึกษาเพราะนี้แต่เป็นประเด็นของอายุขนะเนี่ยพวกเรายังไม่ได้เข้าใจกันมากก็มีการต่อต้านมีการไม่ยอมรับมันก็เลยชฉยเลยเนื่อย เลยไม่ค่อยสนใจดีไม่ดีผลักนีไม่ดีวิจาร์ด้วย อ, อนอกจากวิจารน่ะบางคนก็ประมาทอะไรต่ไรอีกด้วยก็อา้าก็เข้าใจให้ดีว่าที่อาตมานำพาทำอยู่นี้อาตมาดูแลหรืออาตมาเป็นตัวหลักอยู่ด้วยซ้ําไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่น่าสนใจได้อย่างไรอาตมาไม่ได้บังคับคนไม่ชอบบังคับคนให้อยากจะให้ใ ช, ใช้ปฏิภาณปัญญาสังเกตเอารู้เอาว่าอ๋ออันนี้งี้เหรออ๋อ ทำไมอาตมาเอาด้วยนะทำไมอาตมาไม่เอาอะไรก็น่าจะเข้าใจนะใช้ปฏิภาณปัญญาธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่ฉลาดนะมันก็ไม่ได้อะไรแล้ว ถ, ถ้ามันฉลาดมันก็ต้องรู้ว่ามันควรหรือไม่ควรนะถ้าเผือว่าเข้าใจว่าอาตมานี่พาไปดีพา ด, ดีมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากน ะ, นะะรักอาตมาก็ไม่อยากจะพูดมากพูดให้พวกเราใช้ปัญญาปฏิภาณเอาเอง ตอนนี้เราก็เร่งรัดพัฒนาอยู่ที่อาตมาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือว่ามันต้องใช้ทางจิตภาพด้วยให้มาเป็นตำราทั้งด้านกายภาพก็มีนักวิจัยอย่างอาจารย์วิชัยทางด้านกายภาพแทๆ้ๆเรื่องหลงสรีระจริงๆก็อย่างหมออันชัยก็ชัดๆอยู่แล้วนะก็มาร่วมกันแล้วก็มีหมออื่นเห็นว่าจะมีหมออะไรมาอีกอหมออ่ ะ, อะ มีหมออีกหลายหมอก็จะมาช่วยกันหลายหมอทั้งหมอทางเลือกทั้งหมอปัจจุบันพรดพร้อมกันนี่ก็คือเราผ น, นึกต่างๆเพื่อที่จะทําให้เป็นวิจัยให้เป็นหลักวิชาให้เป็นสิ่งที่จะสื่อต่อสังคมเขาได้เขารู้เรื่องอยาธรรมานี่มันลูกทุ่งมันสื่อไม่ค่อยรู้เรื่องสื่อสื่ออยู่กับพวกลูกทุ่งเท่านั้นเองมันก็ไม่เข้าสังคมไม่เข้าสมัยมันไม่เข้ากระสากลมันก็ไม่ไปออกไปดี เพราะเ่อว่าเราสามารถทำรรมันี้ดีได้ด้วยอย่างผู้ที่จะสื่อทางด้านจิตภาพจิตวิญญาณเนี่ยจะทำเป็นตำราเป็นภาษาเป็นอะไรก็มีพวกเราอตอนนี้โดยที่จะอธิบายให้รู้จากหลักของวิชาการจริงๆทุกอย่างมันไม่ได้ออกจากหลักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าสักอย่างท่านตรัสว่าผู้ที่มีพชชงเจอายุยืนได้เรียนได้ฟังเท่านั้นก็อายุยืนแล้ว ยิ่งเข้าใจยิ่งเอามาประพิจาปฏิบัติกับชีวิตเป็นจริงเป็นจังโพชฌงเจตสมบูรณ์คุณอายุยืนแน่นอนแน่นอนขอยืนยันเลยอาตมาก็ยังขยายความมาเป็นภาษาเดี๋ยวก็ค่อยๆขยายไปแต่ทั้งนี้เขาจะขยายเป็นภาษาสากลตรงนี้มาแจกให้รู้จากวิธีปฏิบัติเมื่อทางสากลเนี่ยนะเขารู้จากสูตรนี้เข้าใจอันนี้ว่าโอ้โหเขาก็จะมีปฏิภาณรู้ว่าอุ้ง มันมันลึกซึ้งมันหมายถึงสิ่งเหล่านี้จริงๆนะซึ่งมันจะอธิบายทางพลังงานด้านจิตวิ ญ, ญญาณอาตรมาขอใช้คำว่าพลังงานพลังงานท่านทางด้านจิตวิ ญ, ญญาณซึ่งกำลังเอาหลักสูตรของพระพุทธเจ้ามาใช้มาขยายความมาแปลมาทำความเข้าใจให้คนเข้าใจขึ้นจารณสบห้เป็นต้นและจารณสบมันมีอะไรบ้างจารณสิบห้าก็คือมรรคองแปด มรคองคแผ่มันจะเป็นยังไงมันก็จะขยายความออกไปออกไปออกไปออกไปมันก็จะเข้าใจกันได้เพราะทุกวันนี้มันไม่เป็นภาษาที่มันเป็ น, ปนสากลสากลก็ยังขออภัยที่ต้องพูดความจริงสากลที่เป็นอยู่เนี่ยผู้ที่เขาพยายามใช้อธิบายอย่างสากลไม่ว่าจะเป็นคนเก่าตั้งแต่ด็อร์อะไรต่อดออรอะไรมาที่มาช่วยขยายความจากพระเตปิดกเนี่ยนะ หลายด็อกเตอร์นะขยายความมันก็เป็นภาษาอยู่วงวนๆอยู่ในทางทางด้านเจโตมันยังไม่ออกมาทางด้านปัญญาที่แท้จริงนะที่จะไปสื่อกันให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นมันก็เลยยังไม่รู้ทีนี้พวกเราก็ภาคเปลี่ยนทำจนกระทั่งมันจะมาอยู่กับผู้ที่มีทั้งนักวิจัยมีทั้งนักสรีระ ทางชีววิทยาทางหมอที่จริงอะไรมาอีกมันก็จะมาต่อมาปฏิปต่อมาเชื่อมาโยงก็จะได้ส่วนภาษาทางด้านจิตจิตจิตภาพนั่นภาษาทางจิตวิญญาณภาษาทางจิตอตมาเองอตมาเป็นต้นเข้าก็แตกไม่ค่อยได้เก่งแต่พวกนี้ก็เข้าใจอย่างขณะนี้มีคุณอภิสินกับคุณหนึ่งฟ้าเนี่ยมาทำวิจัยอันนี้ทาง ระดับด็อกเตอร์ามาทําวิจัยอันนี้ระดับด็อกเตอร์ระดับปริญญาเอกซึ่งทางด้านผู้ที่เขาเข้าใจภาษาศาสตรคนเขารับฟังรับรู้แล้วโอ้เขารับได้เข้าใจได้ประโยชน์ทันทีเราก็เลยเห็นว่าเออการสื่อนี้เข้าเรื่องแล้วต่อติดและปฏิปต่อกันได้แล้วเราก็เลยอยากจะเชื่อมโยงทำอมนนี้ให้มันเป็นชิ้นเป็นอั น, นทำอันนี้ให้ออกไป ขอบอกตรงนี้นะไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องไปพูดยาวในโลกมันยังไม่มีพูดแล้วมันใหญ่อัตมานะตวแ ม, ม่เนี้ยมอัตมานะเนี้ยมเกรงใจพูดแล้วมันใหญ่มันยังไม่เคยมีหรอกอันนี้ในโลกนี้กาลังจะเกิดอยู่ที่นี่เราจะเป็นต้นตอฟังไว้แล้วก็พอนะพูดไปแล้ววันนึงเหมือนกับพูดใหญ่พูดโตพูดทนนี้ก็ละไว้ในฐานที่้าใจ มันเป็นไม่ใช่อาตมาพูดเล่นพูดอย่างเกรงใจพูดยังไม่อยากอวดนะไม่อยากจะพูดหรอกอาตมาต้องการทำมากกว่าที่จะพูดพูดนําแล้วคุยโม้แล้วมันเสียอยู่สองอย่างคุยโม้นี่คนมันก็ไม่ชอบสองโม้ไปแล้วทําไม่ได้ตัวเองนะ่ะหน้าแหกใช่ไหมมันไม่ได้เรื่องหรอกคนรู้ดีแล้วก็ไม่มีใครก็อยากคุยโม้หรอกนะ คุยโม่นะ่ยใครคก็ไม่ค่อยชอบหรอกคุยใหญ่คุยโตคุยอวดคุยอ้างใครคก็ไม่ชอบหรอกนะคนเรามีประสาดูอวดโม่คุยใครคก็ไม่ชอบไม่อยากรับมันเสียมันไม่ได้ดิบดีอะไรหรอกนะแล้วคุยไปแล้วทําไม่ได้อีกไปเลยใช่ไหมเข้าป่าไปเลยพูดไปโม่ไปแล้วเสียแล้วตัวเองไม่ได้อย่างที่โม่เข้าป่าเลยก็ค่อยดูคนที่โม่โม่ทำไม่ได้ในะสังคมประเทศไทยคอยดูเถอะ โมโมโ ม, โ ม, โมแล้วทําไม่ได้ค่อยดูสิเขาจะอยู่ยืนยาวไปได้ยะขนาดไหนค่อยดนะูในประเทศไทยขณะนี้ก็กำลังมีตัวมีตัวตัวจริงแสดงให้ดูอยู่เนี่โยโหยิ่งกว่าละครนะมันของจริงนะไม่ใช่ละครค่อยดูเข้าไปกันแล้วกันนะนี่เรื่องของสัจจะทั้งหลายแหละก็คิดว่าพวเราก็คงจะพอเข้าใจอะไรมากขึ้นนะก็คงจะมีปฏิภานปัญญาเข้าใจเรื่องนี้เพราะงั้นก็ต่อไปนี้ก็ ลองตั้งใจเพื่อที่จะสัตร์ตอบฟังด้วยเทรูแล้วก็ได้ช่วยไม้ช่วยมือกันรวมไม้ร่วมมือกันเพิ่มึ้นสิต่อจากนี้ไปอีกคนหนึ่งใครอภิสินเหรอและทำไมยังไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรเวลาเป็นของเราเราต่อก็ได้ทามันเป็นประโยชน์พพวกเรายังแหมอภิสิทธิดีพูดไปแล้วก็โอ้โหมาล้วก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ต่อได้ทาไม อาตมาเนยเป็นวิ่งไล่เวลาทุกวันนี้เนี่ยอาตมาจับเวลาอยู่นะเนี่ยไล่กวดไม่ยอมให้พลาดมือเท่าไหร่เราต้องวันนี้ไล่เวลาอยู่ทุกวินาทีเลยน อ, อ้อาวเอัอาตมาพูดนำโยงยาวไปชิดยาวเกินที่ควรจะพูดแล้วนะแต่ก็เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจนะก็ตอนนี้ก็ถึงวาระของสามท่านตองว่าเอามีอะไรที่อาตมาจะ พูดเสริมพูดเติมหรืออยากจะถามอะไรก็ค่อยว่ากันไปใครจะขึ้นก่อนดออรวิชัยเป็นผู้ขึ้นก่อนเริ่เอาเลยกล่าวนมัสการพระคุณเจ้าพ่อท่านสมณบุรุษที่รักพระคุณเจ้าสมณทุกท่านแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมพูดคุยสัมมนาในวันนี้ทุกท่านนะครับ หลายท่านก็คงจะได้รับทราบจากการที่เราได้มีการพบปะพูดคุยกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็คงจะมีการทบทวนแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่ได้คุยกันไว้นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตทบทวนสั้นๆ น, นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะฮะเพราะว่ายัางไม่เคยมีใครตั้งหัวข้อวิจัยแล้วก็จะทำวิจัยเรื่องนี้มาก่อนอย่างที่พ่อท่านว่านะครับเมื่อเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยังไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยในทางการวิจัยเขาก็มาจัดใช้ชื่อว่าการศึกษาความเป็นไปได้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็ต่อตามด้วยชื่อเรื่องที่เราจะศึกษานะครับพอตรงกับภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า feasibility study นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะยังไม่มีตัวตัวแบบให้ลอกนะฮะเป็นการบ้านที่ไม่รู้จะไปลอกใครนะครับก็ต้องคิดเองทำเองนะครับทีนี้ ทำไมเราถึงกล้าทำเรื่องยังไม่เคยทำมาก่อนก็เพราะว่าแนวโน้มของการาศึกษาวิจัยที่ผ่านมานะครับก็พบว่าการที่มนุษย์เรามีอายุไขยยืนยาวขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นจริงอยู่แล้วนะครับถ้าย้อนอดีตไปก็จะพบว่าอายุคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก 60 50กว่ากว่าแต่ณวันนี้เนี่ยมันขึ้นไปถึง70กว่าแล้วนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ก็มีสถิติไว้นะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เนี่ยชี้ให้เห็นแต่ว่าปรากฏการณ์ก็อาจจะเป็นสิ่งยังไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับในงานวิจัยของทางฝรั่งเขาเนี่ยเขาเชื่อว่า การแพทย์ที่มีองความรู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนีนะครับก็จะช่วยให้อายุของคนเนี่ยยืนยาวแน่นอนเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมียามีวิธีการอะไรต่างๆเนี่ยที่จะช่วยให้เราสามารถยืดอายุขยได้อยู่แล้วก็มีการประเมินนะครับโดยสมาคมแพทย์อเมริกันว่า ด้วยองค์ความรู้ที่มันมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีเครื่องมา้าเครื่องมืออะไรที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยโดยอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยคนเราน่าจะมีอายุยืนยาวได้ถึง150ปีในประมาณ20ปีข้างหน้านะฮะอันนี้เขาเขาประเมินโดยไม่ได้นำหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมามาประมวลด้วยนะครับ ประเมินเรียกว่าทางกายอย่างเดียวเลยทางกายภาพเท่านั้นนะฮะทีนี้ถ้าหากเรานำเอาชื่อของงานวิจัยม า, มามามามาดูเนี่ยชื่องานวิจัยเราใช้คำว่าการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุไขาตามหลักพุทธธรรมนะฮะอันนี้ก็น่าจะทำให้เราเชื่อมั่นได้มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเขา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยเขาประเมินว่รอยหาสิ0อีกยี่สิปีข้างหน้าแต่เรามีทั้งหลักพุทธธรรมด้วยเนี่ยน่าจะมีอะไรที่รอบคอบกว่ากว่าเขาแต่ว่าเราเราเริ่มทำณวันนี้นะครับก็แปลว่าเราจะทำก่อนเขาประมาณสักยี่สิบปีตรงนี้เองนะที่ที่มันจะเป็นตัวแปรนะครับว่าที่เราทำก่อนเขา ที่เขาประเมินไว้เราจะทําสําเร็จไหมจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะม า, าหนึ่งทบทวน2เพิ่มเติมสิ่งที่เราได้รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยไว้หลายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ที่เราสามารถจะนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยที่ท่านทั้งหลายใช้อยู่คุ้นเคย อ, อยู่แล้วก็สามารถจะนําเอามาผสมผสานกับเรื่องทางด้านพุทธธรรมด้วยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นการวิจัยในลักษณ ะ, ะบูรณาการความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้อย่างที่หมอควันชัยมีนะฮะคือแพทย์ตะวันตกความรู้ที่พวกเรามีคือแพทย์ แผนไทยแพทย์ทางเลือกและความรู้ด้านพุทธธรรมนะครับซึ่งคุณอภิสินก็ได้ศึกษามามากขอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะเปิดประเด็นให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้สอบถามซักถามแล้วก็พยายามให้อยู่ในกรอบของอหัวข้อวิจัยเรื่องนี้ นะครับแล้วน่าจะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะไปสื่อสารไปขยาย อ, าองค์ความรู้ต่อแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ผมได้เรียนท่านทั้งหลายว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนสามคนหรือสี่คนห้าคนอะไรที่อยู่ในกลุ่มทีมคณะทำงานวิจัยนะครับแต่เป็นความร่วมมือ ของชุมชนชาวอาโศกทั้งประเทศครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีงานวิจัยอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าอย่างดีงานวิจัยก็จะมีอยู่หน้ากระดาษเดียวว่ามีรายชื่อไม่เกินหน้ากระดาษนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีรายชื่อคงจะมากมายมากกว่าเป็นสิบ0หน้ากระดาษก็ได้ครับขั้นนิดหนึ่งอาจะมา พอดรวิชัยพูดมาอย่างงี้แล้วอัตมาอยากจะถามพวกเราว่าเนี่ยที่ฟังไปนี้เข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจขึ้นใช่ไหมเอาอัตมาสรุปอีกนนึงว่าเข้าใจนะว่าการวิจัยงานนี้ที่อัตมาพูดไปก่อนแล้วว่ามันยังไม่เคยมีหรอกในโลกมันจะเป็นงานวิจัยที่เป็นงานชิ้นแรกที่จะนําทั้งกายภาพและจิตภาพนี่มา ผสมส่วนกันให้มันสอดคล้องให้มันนำพาไอ้เรื่องนี้ขึ้นไปให้ได้และเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนะทางด้าจ น, นจิตวิ ญ, ญญาณอภิสินนี่เาก็อยู่มารนกระทั่งตอนนี้ก็อายุก็ยาวไปทั้ง60สิบแล้วนะแต่ก่อนนี่มาก็แต่แต่อายุหนุ่มๆ 20-30 เดี๋ยวนี้ก็อายุ60สิบแล้วนะ ก็ศึกษามาก็จนกระทั่งทุกวันนี้ก็เลยมาที่นี้ไปเรียนอะไรไรมาก็เลยใกล้ความรู้ทางด้านสากลก็ามาก็เอามาสร้างโครงสร้างพวกนี้ได้และก็ได้ความเข้าใจในด้านธรรมะก็เลเอามาแปลมาเป็นภาษามาเป็นโครงสร้างของทางด้านทางด้านที่จะสื่อออกไปนะขณะนี้ขออภยัยในอาตมาแย่งพูดีนิดนึงคล้ายๆก็ไม่ใชค ล, าคลา้ายๆกังจริง ขณะนี้โปรเจกต์ใหญ่มันอยู่ที่อพิสินเป็นตัวต้นทุนโปรเจกต์โครงสร้างกลางใหญ่ตอนนี้ก็กำลังจะเป็นโปรเจคเตอร์ฉายออกไปให้มันเกิดโปรเจคชันที่สูงที่เป็นภาพชัดจนครบสภาพพวกเราก็จะเห็นได้เป็นภาพที่เห็นไปได้ตามลำดับจะมีรูปของแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นเป็นเพอร์สเปกทีฟเป็น ภาพที่มีรูปร่างครบครันดูรอบพอได้เห็นรูปไปเรื่อยๆทำขั้นตอนอาตมาขอไปต้องใช้ภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษประกอบนิดหน่อยอาตมาก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรก็เลยต้องอาศัยเขามันสั้นแล้วมันก็รัดดีเมื่อกันในหลวงว่าผู้ภาษาอังกฤษมันสั้นดีก็เลยว่าเอา loss is a gain อะไรเงี้ยนะอาตมาก็เลย ก็าตามท่าไหน่อยนั้งแต่ตัเวเองไม่ได้เก่งกาดอะไรไมไ่รู้อะไรแต่มันมันรู้ภาษาอันนี้เท่านั้นเองอันอื่นมันก็ไม่เท่าไรเพราะตอนนี้เรากําลังจะฉายภาพหน้าโปรเจกต์ทายออกไปน้าจะฉายภาพออกไปให้มันให้มันสมบูรณ์ให้มันเป็นให้ผู้อื่นได้เห็นด้วยอ่ะมันจะอยู่ในถ้าโปรเจกต์นี้อยู่ที่อภิศินคนเดียว น่ะเป็นนักฉายภาพนี้เปเรียนมาทางผังนะทางผัผงเนี่ยจบปริญาโทรทางผังมาจากอเมริกาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนักฉายภาพทําผังได้เก่งเนเนี่ยขาเป็นคนบาอย่างนั้นจริงๆนะก็จะได้นำอันนี้ขึ้นมาเสนอเขาขอถามตรงนี้ว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นวิจัยอย่างที่อาจารย์วิจัยว่าไปแล้วว่าเป็นการวิจัยที่อันที่หนึ่งในโลก มันยังไม่มีใครเคยทำทำยังไม่ได้หรอกนะแล้วผู้ที่จะมาร่วมทำก็ไม่ใช่มาไม่กี่คนอยู่ในเปเปอดเดียวอย่างที่อาจารย์ว่านั่นมันจะโอโหหลากหลายและเยอ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะแยะนะจะต้องใช้ความร่วมมือจากชาวอโศกมาเป็นขบวนการใหญ่เลยอ่าก็คิดว่าพวกเราก็คงจะพอใจหรือเต็มใจที่จะร่วมมือนี้ ใครไม่เต็มใจจะร่วมมือบ้างถาอย่านงนี้ก็คงไม่มีใครอยากยกพวกขายนาเนาะใครเต็มใจจะร่วมมือบ้างไม่ยกก็ได้นะทาไม่เต็มใจก็ไม่ต้องยก เ, เพราะงั้นถ้าเข้าใจขึ้นแล้ว็จะรู้หลายคราวจะมาพยายามปล่อยมาให้ดันไป ลองดันไปสิดันไปสิแม่ดันยากว่ะก <c oughs> ็เลยวันนี้ก็เลยเผยเลยพยายามทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเก่าหน่อยก็คงจะพอรู้กันขึ้นแล้วคิดว่าไอ้ทีมมันเป็นพวกที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นพวกในระดับยอดต้านทานอายอด r e s i s t a e ก็คงจะ ใครค่อยช่วยขึ้นหน่อยหนึ่งนะก็คิดว่าความร่วมมือคงจะดีมีมากขึ้นเอาเชิญ อ, อาจารย์ต่ออแต่มาก็แม้ที่ไหนก็ไปควรก็ที่นั่นพูดแย่งก็พูดหมดทีนี้เรียนต่อว่าในเรื่องงานวิจัยนี่นะครับสิ่งที่เราจะต้องชัดอันดับแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นหน่วยวิเคราะห์ของงานวิจัยนั้นนะครับเช่นเราได้ได้ฟังโพูน ที่เขาเสนอเนี่ยเขาบอกว่าโพลนี้เก็บมาจาก1225ตัวอย่างอะไรเงี้ยนั่ น, ปนแปลวป่า น, น, นะครับเป็นหน่วยวิเคราะห์นั่นเองครับทีนี้หน่วยวิเคราะห์ของงานวิจัยชิ้นที่เรากำลังทำเนี่ยนะครับเราจัดเป็นประมาณสัก3ระดับนะฮะอาจจะอาจจะมีมากกว่าวันหนึ่งหน่วยวิเคราะห์หรือว่า1ประเภทนะครับระดับแรกเลยก็คือสิ่งที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ที่ สำคัญนะครับก็คือที่เป็นตัวบุคคลแล้วก็ใช้เป็นหน่วยวิเคราะห์ที่เราเรียกว่ากรณีศึกษานะครับก็คือตัวพ่อท่านนะครับเพราะถือว่าเราเป็นหน่วยวิเคราะห์ระดับเป็นหน่วยศึกษาที่สําคัญกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะถือว่ามีหน่วยวิเคราะห์อีกชุดหนึ่งก็คือบรรดาผู้ที่เข้ามาร่วม การทำงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยก็ถ้าภาษาวิจัยเขาก็เรียกว่าเป็นปาติซิเปนนะฮะเราทําวิจัยไปด้วยแล้วก็เป็นผู้เข้าร่วมไปในโครงการด้วยอย่างอางจริงจังนะครับก็เป็นเป็นหน่วยวิเคราะห์อีกหน่วยหนึงแล้วก็หน่วยระดับถัดไปเนี่ยก็เป็นวงนอกที่จะเข้ามาร่วมรับรู้ร่วมลองดูผลร่วมนำเอาไปปฏิบัติเนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ ติดตามประเมินผลประเมินผลได้ด้วยตกลงว่ามีอยู่สามระดับหรือสามวงนะครับงานวิจัยนี้ก็อาจจะมีความกว้างขวางนะครับทีนี้เพื่อให้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยเรามีการปรับเพิ่มขยายขอบเขตบ้าง ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์บ้างซึ่งจากเดิมนี่อาจจะแคบอาจจะไม่คลุมอะไรที่ทจำเป็นเนี่ยนะฮะก็เลยขยายขอบเขตไปทั้งนี้เนี่ยตามสถานการณ์แล้วก็ความเป็นจริงที่เราได้เก็บรวบรวมมารวบรวมข้อมูลมาแ ต, ลแต่ละช่วงนะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะขอความกรุณาคุณหมอพันชัยนะฮะช่วยเล่าให้ฟังว่า เรามีการขยายขอบเขตมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมอย่างไรนะครับแล้วก็จากนั้นก็ขอป h a r นาคุณอภิสินช่วยเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เราเราได้ทำต่อจากการนำเสนอเมื่อคราวที่แล้วนะครับกับเชนเชญครับกั บ, บนักมาศการพ่อท่านแลสมณะูปนะครับแล้วก็ธรรมสวัสดีชาวโสกทุกท่านครับ <Allahu>. Wow. ขออาจารย์เพชรขึ้น powerpoint ได้ไหมครับคือจากที่เราได้เคยมาพบกันครั้งหนึ่งในงานอโศกลํำลึกเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มาเล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนะครับก็จะเห็นว่าจะใช้คำนิยามคำว่าสุขภาพนะครับการขยายอายุไขโดยมีสุขภาพดีเนี่ยนะครับก็ ออมองว่าสุขภาพดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามีอายุยืนแล้วนอนออประงาประง่อยู่บนเตียง น, นะครับแต่ต้องเป็นสุขภาพมีอายุยืนที่สามารถที่จะปฏิบัติกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและก็สังคมนะครับครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับ ในเรื่องวัตถุประสงค์โครงการเนี่ยนะครับเดิมก็กำหนดไว้ในเรื่องของการศึกษาองค์ความรู้เพื่อขยายายุคไขโดยใช้หลักพุทธธรรมนะครับต่อเลยครับเมื่อตอนเริ่มแรกที่คณะทำงานได้ปรึกษาหารือกันเนี่ยเราเราก็มุ่งมองไปที่ว่าเราจะดูว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะนำความรู้บูรณาการองค์ความรู้ทุกอย่างนะครับทั้ง การแพทย์ที่เป็นการแพทย์ตะวันตกนะครับรวมทั้งการแพทย์ที่เป็นองค์งวงงความรู้ภูมิปัญญาของไทยเรารวมทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากประเทศอื่นที่เป็นการแพทย์ทางเลือกนะครับมาประยุกต์ปรับใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นการขยายยุคไขซึ่งมิติมุมมองทางด้านสุขภาพเนี่ยนะครับก็คงจะใช้ขอาตัดไปเลยครับก็คงจะมีการศึกษา ติดตามประเมินผลนะครับโดยตัวแปรเนี่ยจะดูทั้งในเรื่องของการาส่งเสริมหรื อ, อทำให้สุขภาพที่ที่มีอยู่เนี่ยนะครับาสามารถที่จะมีสุขภาพดีนะครับสามารถปฏิบัติกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อไปในขารเดียวกันแล้วก็คงจะเพิ่มเติมนะครับจากที่ได้หาลือกันก็คือว่าเราอาจจะมี ภาวะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เดิมนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลก็ใช้คำว่าเราจะทําทั้งการสร้างสุขภาพส่งเสริมสุขภาพพร้อมๆกับการดูแลโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่เดิมก็เป็นการซ่อมนะครับเพราะว่าจนถึงวินาทีที่เรานั่งกันอยู่ที่เนี้ยทุกคนก็ได้ผ่านชีวิตมาอาจจะมี โรภคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่เดิมติดตัวมานะครับอันนี้ก็คงต้องมีการดูแลเรื่องการซ่อมสุขภาพเพราะนั้นเรื่องการซ่อมสุขภาพเนี่ยก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับต่อไปข้อ4เลยครับนะครับข้อสี่ทีเ่เพิ่มเติมผมอยากจะเสริมจากที่ท่านอาจารย์วิชัยได้กล่าวแล้วนะครับว่าในการทำวิจัยครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์สาคัญเนี่ย เ, เราต้องการให้ ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยทุกทุกทุกคนทุกส่วนทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่ตัวพ่อท่านเองนะครับพวกเราที่เป็นคณะวิจัยรวมทั้งชาวโศกทั้งหมดซึ่งจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าสุขภาพนะครับอายุขัยของพ่อท่านเนี่ยจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้1 5 1ปีหรือไม่นะครับ ผมคิดว่าปัจจัยความสําเร็จเนี่ยสำคัญอยู่ในมือของชาวอสศบทุกคนครับนะครับส่วนสําคัญที่พ่อท่านจะดูแลตัวท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คนที่แวดล้อมทั้งหมดเนี่ยครับสังคมทั้งหมดเนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายที่เรากําหนดไว้นะครับตอนนี้ใน วัตถุประสงค์ที่เราต้องการเนี่ยนอกจากประโยชน์จะเกิดขึ้นกับการดูแลสุขภาพาพ่อท่านแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เกิดประโยชน์กับพวกเราทั้งคณะผู้วิจัยและก็ชาวโศซทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขยายผลเนี่ยเราก็มองไปอย่างที่พ่อท่านใช้คําว่ามองไปโครงการนี้ยิ่งกว่าอภิมหาเมกะโปรเจกต์นะครับเพราะถ้าเราทําสําเร็จเนี่ย เชื่อว่าเราจะได้องค์ความรู้เราจะได้ความรู้ที่สามารถเป็นประโยชน์และนำไปเผยแพร่ให้กับมวลมนุษยชาติให้กับคนทั้งโลกนะครับผมอยากฝันอยากเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำเราไม่ต้องเป็นผู้นำเป็นเศรษฐกิจมหาอานาจอะไรหรอกครับแต่เราเป็นผู้นาในเรื่องสุขภาพเราจะสามารถประกาศ ตัวเราได้ไหมครับว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มีประชาชนนะครับมีสุขภาพดีนะฮะทุกคนอายุไขเฉลี่ยตั้ง150ปีนะฮะแล้วเป็นอายุไขเฉลี่ยที่1 5อปีที่มีสุขภาพดีด้วยนะครับอันนี้ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับมวลมนุษยชาตินะครับอขอสไลด์ถัดไปครับจานเพชรอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่า ในเรื่องของการปรับปรุงวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็คงจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับชาวโสกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จริงๆผมตั้งใจว่าจะนำเอาประเด็นความรู้ที่เราได้ศึกษาวิจัยวิเคราะห์แล้วก็พบว่าพ่อท่านก็มีภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่เดิม นะครับแล้วก็ได้ไปศึกษาดูว่ามีวิธีการในการที่จะช่วยดูแลบรรเทาปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับมาได้อย่างไรนะครับจริงๆก็ตั้งใจว่าจะนาเรื่องของอความรู้เรื่องเกี่ยวกับอ า, อาการจอประสาท ต, ตาเสื่อมนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้ เ, เป็นความรู้สำหรับ ชาวโสทุกท่านจะได้นําไปใช้นะครับก็จากการตรวจร่างกายพ่อท่านนะครับก็พบว่าพ่อท่านมีอาการจอประสาทตาเสื่อมนะครับแล้วก็เป็นภาวะที่รุนแรงนะครับในเรื่องจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็มักจะพบในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับภาพที่เห็นนะครับบนจอเนี่ยก็จะเป็น โครงสร้างของลูกตาครับลูกตาเราเนี่ยถ้าเปรียบ bon ไปแล้วก็เสมือนกับเป็นลูกบอลครับ travel. ทุกท่านลองนึกถึงลูกบอลนะครับลูกบอลเนี่ยก็มีเปลือกที่เขาหุ้มอยู่ข้างนอกนะครับแล้วถ้าเร า, าผ่าเข้าไปดูข้างในเนี่ลูกบอลก็จะมีชั้นชั้นที่อยู่ด้านในนะครับโครงสร้างของลูกในตาเราเนี่ยเหมือนโครงสร้างของลูกบอลนะครับเพียงแต่ว่าตรงกลางที่เห็นบนภาพเนี่ยที่ เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นช่องที่รับแสงเข้าไปในลูกตาที่เราเรียกว่าตาดำนะครับตรงบริเวณหน้าสุดของตาดำก็จะมีกระจกตานะครับแสงก็จะผ่านจากกระจกตานะครับแล้วก็ผ่านเลนที่เห็นเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จะไปรวมเลนก็จะทำหน้าที่รวมแสงเหมือนกล้องถ่ายรูปอะครับรวมแสงแล้วก็ไปตกกระทบอยู่ที่ส่วนที่เราเรียกว่าจอประสาทตา ในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นชั้นบางๆสีฟ้านะครับชั้นบางๆสีฟ้านะครับเมื่อแสงถูกเลนรวมแสงไปตกกระทบที่จอประสาท ต, ตาสีฟ้าแล้วเนี่ยก็จะเกิดกระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปเป็นกระแสสัญญาณประสาทส่งสัญญาณไปที่สมองสมองก็จะไปสมองนี่หน้าตาความสามารถเขาเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์ครับ เขารับสัญญาณต่างๆเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลประมวลผลก็สร้างออกมาเป็นภาพว่าสิ่งที่มองเห็นนี้คื อ, อ, อกล้วยสิ่งที่มองเห็นนี้คือดอกไม้สีเหลืองอย่างนี้นะครับตอนนี้โรคจอประสาท ต, ตาเสื่อมนะครับจุดที่จะเป็นปัญหาเป็นจุดที่บนจอภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นจุดเล็กๆครับที่เราเรียกว่าแมคูร่าแม็กคูร่าเนี่ยคือจุดศูนย์กลางของการรับภาพ คือแสงปกติพอผ่านกระจกตาผ่านเลนรวมแล้วไปตกกระทบเนี่ยเขาจะพยายามไปโฟกัสตรงแม c ค l ูานะครับเพราะนั้นการที่เราจะมองเห็นชัดเห็นไม่ชัดเห็นผ่ามัวเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งถ้าเกิดขึ้นในแม c ค l ูาเนี่ยจะเป็นอาการที่ทำให้เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ชัดนะครับต่อเลยครับจาร์เพชรครับนะครับเพราะนั้นจุดสำคัญเนี่ยคือตรงจุด ที่จะเป็นจุดโฟกัสของการรับภาพนะครับที่แว่กแมคู่าครับถัดไปเลยครับความเสื่อมของจอประสาทตาตรงแม c ค l ู่าเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปอย่างที่เรียนแล้วนะครับอาการอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับนะเนื่องจากว่ามันเสื่อมตรงตรงโฟกัสเลยเพราะนั้นภาพที่เราจะเห็นเนี่ยเวลาเรามีปัญหาแล้วเราใช้สายตา ที่มีแม c ค l ู่าเสื่อมไปเนี่ยนะครับมองตรงจุดตรงกลางฮะโฟกัสจะมัวแต่อาจจะยังมองเห็นรอบๆอยู่นะครับเพราะนั้นในรูปนี้ภาพที่เห็นนะครับเด็กถือฟุตบอลเนี่ยปรากฏว่าเห็นหน้าไม่ชัดนะเด็กที่เดินมาเอ๊ะลูกใครวานะพอส่งเสียงถึงรู้อ๋อลูกเราเองเพราะมองเห็นตรงกลางไม่ชัดนะครับถัดไปเลยครับอันนี้ก็เป็นอาการครับถ้าถ้าเราเดูตามภาพนะครับ ภาพเด็กสองคนที่เห็นถือฟุตบอลอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นคนปกติก็จะเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนที่มีอาการ Macula r ่า e ีเจเนเรชหรือการเสื่อมของจอประสาท ต, ตาก็จะเห็นภาพข้างล่างครับก็คือตรงจุดโฟกัสมองไม่ชัดถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็จะเอาแผ่นที่เป็นรูปตารางนะครับมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางนะครับให้เราลองมองดู น ค, คนที่มีสายตาปกติก็จะมองเห็นเป็นแผ่นตารางมีจุดสีดำตรงกลางปกติแต่ถ้ามีอาการ Macula Degeneration นหรือจอประสาท ต, ตาเสื่อมก็จะเห็นจุดมันอาจจะเส้นมันเบี้ยวเบี้วบูดบหรือบางทีไม่เห็นเลยหาจุดจุดตรงกลางไม่เจอนะครับอันนี้ก็เป็นโดยทั่วไปนะครับตอนนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดจอสัสา์ตาเสื่อมนะครับก็อาจจะเกิดจากมีเส้นเลือดที่ผิดปกติ หรือมีสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์จอประสาทตาเนี่ยไม่เพียงพอมีของเสียนะครับโปรตีนเศษโปรตีนต่างๆไปสะสมก็เกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับต่อไปเลยครับความเสี่ยมของการเกิดโรค ก, ก็ตั้งแต่เรื่องของอายุเรื่องของพันธุ ก, กรรมเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเรื่องการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยที่เราป้องกันได้แต่เรื่องอายุเรื่องของความเสื่อมบางครั้งเราก็คงได้แค่ ประคับประคองนะครับแต่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่เรางดเว้นได้ป้องกันได้นะครับต่อเลยครับเราพบว่าพบในคนผิวขาวมากกว่าคนผิวสีนะครับผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายนะครับสาเหตุเพราะว่าผู้หญิงเราสุภาพสตรีเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยที่เราเรียกว่าวัยหมดประจาเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายนะครับเพราะนั้นก็ ถ้าสุภาพสติถ้าเราดูแลเรื่องการการปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายด้วยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะครับความดันโลหิตสูงก็เป็นความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งครับที่จะทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมโดยเฉพาะชนิดที่เราเรียกว่า w วท AMD นะครับแบบเปียกครับ AMD หรือ Age Related Macular Degeneration เนี่ยนะครับ จอประสาท ต, ตาเสือ่อมตามอายุเนี่ยนะครับจะมีสองชนิดครับก็คือแบบแห้งนะครับอันนี้ในภาพจะเห็นนะครับภาพซ้ายมือนะครับที่เห็นคู่กันเนี่ยนะครับข้างซ้ายเป็นจอประสาท ต, ตาข้างขวานะครับของคนไข้ที่ปกติเวลาคุณหมอเขาไปส่องกล้องตรวจเนี่ยนะครับจอประสาท ต, ตาที่คุณหมอส่องเข้าไปแล้วปกติจะเห็นเป็นแบบนี้ครับ แต่ภาพที่อยู่คู่กันนะครับเป็นจอประสาท ต, ตาข้างซ้ายของคนไข้จะเห็นว่ามันมีหย่อมๆไหมฮะหย่อมขาวๆเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็คือเริ่มมีความเสื่อมของจอศอดประสาท ต, ตานะครับอันนี้ก็ทําให้สายตามองไม่เห็นส่วนถัดไปจะเป็นเวทเอ็มดีนะครับต่อเลยครับแบบเปียกนี่นะครับเราพบว่าพบน้อยนะครับ ในร้อยคนที่มีอาการจอประสาท ต, ตาเสื่อมเนี่ยมีแค่10เ น, นนะะ่ะที่จะเป็นแบบเปียกแต่อาการของอาการแบบเปียกเนี่ยเป็นอาการที่รุนแรงครับนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดความสูญเสียอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นรุนแรงนะครับอันนี้ก็ฉายภาพให้เห็นผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆนิดเดียวครับว่าในลูกในตาเราที่เปียบเสมือนลูกบอล น, นะครับ ต ร, ตรงเปลือกของลูกตาเปลือกของลูกบอลเนี่ยจริงๆมันมีหลายชั้นครับเหมือนลูกบอลก็มีเขาเรียกอะไรนะยางในยางนอกใช่ไหมครับมันมีหลายชั้นและเส้นเลือดเนี่ยจะวิ่งเข้าไปเลี้ยงจอประสาท ต, ตาในระหว่างชั้นนั้นนะครับปัญหาของเวทเอ็มเนี่ยก็คือมันมีเส้นเลือดที่ผิดปกติครับงอกออกมานะส่วนใหญ่เส้นเลือดที่ปกติเนี่ยจะมีโอกาส เขาเรียกแตกง่ายมันเปราะนะฮะพอมันแตกปั๊บก็เกิดเรื่องเลยครับก็เกิดจอประสาท ต, ตาเสื่อมแบบที่เราเแบบเปียกอันนี้ก็เป็นภาพที่ชี้ให้เห็นว่าในระหว่างชั้นของออ ล, ลูกตาเราเนี่ยนะครับมันมีเส้นเลือดเข้าไปเลี้ยงแล้วก็ถ้าเส้นเลือดมันมีความผิดปกติมีเส้นงอกออกมาหรือมีเส้นเลือดที่แตกก็จะทําให้เกิดปัญหาที่เราเรียกว่า AMD แบบเปียกครับ ไปเลยครับอันนี้ก็เป็นภาพของจอปรสาตาเวลาที่เกิดปัญหา AMD แบบเปียกนะครับก็จะเห็นว่าข้างขวานะครับเป็นออจอประสาทตาที่ปกติครับแล้วก็โทษแท เ, เป็นน้อยครับโทษ้ข้างขวานี่ก็คือจอประสาตามี AMD แบบเปียกแต่ยังเป็นน้อยนะครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยฮะจะเห็นว่าหย่อมมีเลือดออกเยอะเลยนะครับ อันนี้ก็ทำให้สายตาสูญเสียการมองเห็นได้อย่างมากนะครับแล้วเป็นอย่างรวดเร็วผมไปเร็วๆนิดนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมี เ, เ, เวลาที่จะขอให้พวกเราที่ไปไปตรวจกับอาจารย์หม อ, อ, อสมเกียรติได้มาสาธิตด้วยนะครับขอต่อไปเลยครับข้ามไปเลยครับครับตอนนี้อาจอยากจะให้ท่านลองทดสอบนะครับ เผื่อจะไปลองออตรวจสุขภาพสายตาด้วยตนเองนะครับวิธีตรวจสุขภาพสายตาด้วยตนเองนะครับก็ไปสไลด์ถัดไปเลยครับเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกแผ่นแอมเซลเลอร์กิตนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะเอาแผ่นนี้ให้เรามองครับวิธีตรวจทำอย่างนี้นะครับตรวจทีละข้างนะครับ ถ้าสมมติว่าท่านจะใช้สายตาข้างขวาตรวจท่านก็นยกมือปิดตาข้างซ้ายครับแล้วก็มองไปที่แผ่นนี้ครับมองเพ่งไปที่จุดสีดําตรงกลางครับถ้าท่านเห็นแผ่นแอมเซลอร์แอมเเลอร์กิดเนี่ยเป็นตารางปกติมีจุดสีดําตรงกลางอันนี้แสดงว่าตาข้างขวาท่านปกติดีแต่ถ้าท่านเห็นไอ้จุดสีดํามันเบี้ยวเบียวบูดบดเส้นต่างๆตารางต่างๆเอ๊ะมันบิดบิดเบี้ยวเบียวไป หรือมีการมองไม่เห็นบางจุดอ่า น, นี้แหะครับน่าจะมีปัญหากับสายตาข้างที่ท่านมองนะครับก็ทำสลับกันครับนะครับท่านใดที่ใส่แว่นก็ไม่ต้องถอดแว่นนะครับปิดบนแว่นไปเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีตรวจสมรรถภาพการมองเห็นนะครับหรือความเสื่อมของจอประสาทตาแบบง่ายๆครับนะครับโดยใช้แอมเซอร์กิ ก็เดี๋ยวผมคิดว่าทางทีมคณะวิจัยก็คงอาจจะแจกจ่ายตัวอย่างของแผ่นแอมเซเลอร์กิทแล้วเราก็ไปถ่ายเอกสารไปตรวจตัวเองที่บ้านได้นะครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับคนที่คนที่มีปัญหาสายตาถ้าไปมองที่แผ่นนี้อาจจะบางคนอาจจะเห็นแบบนี้นะครับต่อเลยครับครับปัจจุบันเนี่ย การรักษาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเรายังไม่มีวิธีการด้วยการแพทย์แผ น, นตะวันตกที่ได้ผลนะครับคณะทีมวิจัยเนี่ยก็มีความเป็นห่วงนะครับมีความห่วงใยในสุขภาพสายตาของพ่อท่านเราก็พยายามที่จะสืบคน้นเราก็พยายามที่จะค้นคว้าหาว่า ในเมื่อการแพทย์ตะวันตกเนี่ยยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลนะครับจึงได้ไปสืบค้นจนพบว่ามีคุณหมอตาท่านหนึ่งจากสู่แพทย์ท่านหนึ่งครับก็คือคุณหมอสมเกียรติอาิคมกุลชัยนะครับท่านได้ทดลองพัฒนาวิธีการรักษาโดยการนวดตาด้วยตนเองครับนะครับท่านเริ่มจากการรักษาต้อหิน นะครับแล้วก็พบว่าช่วยในเรื่องของจอภาะสาตาเสื่อมได้ด้วยต่อเลยครับกับผมขอไปที่วิธีการรักษานะครับการแพทย์ตอนตกจริงๆเขาก็พยายามคิดค้นนะครับแต่วิธีการก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนครับมีการฉีดยานะครับเรียกว่า Anti-VEGF นะครับยาตัวนี้ เบ็ดเสร็จแล้วค่ายาก็เป็นแสนแล้วก็ฉีดเข้าไปแล้วก็ยังไม่แน่นอนนะครับอาจจะได้ผลสักไม่ถึง 50% นะครับก็ยังเป็นวิธีการที่ยังต้องมีการศึกษาวิจัยอยู่แต่การฉีดนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการฉีดเนี่ยเขาจะเอ า, เ, อาเข็มฉีดยาเล็กๆนะครับจิ้มเข้าไปในลูกตาเลยครับแล้วก็ฉีดยา ก็มีความเสี่ยงนะครับนะฮะเรานึกถึงภาพาว่าภาพว่าตะกี้ผมอธิบายว่า AMD แบบเปียกเนี่ยมันเกิดจากเลือดมันออกนี่เอาเข็มจิ้มเข้าไปอีกมันก็ต้องมีเลือดออกเนาะนะฮะมันก็มีความเสี่ยงนะครับตัดไปครับอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณหมอผมนพัฒนาวิธีการรักษาไม่ต้องเอาเข็มไปจิ้มนะครับใช้มือเราเองเนี่ยครับ นวดตานะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่คุณหมอสมเกียรติท่านอธิบายแล้วก็สาธิต ใ, ให้ดูนะครับตรงนี้ทางอาจารย์หนึ่งมีทีมจะสาธิตไหมครับเชิญครับมีใครที่ไปวันนั้นไปกับพ่อท่านนะครับอเดี๋ยวลองดูสไลด์ต่อไปครับดูภาพครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ อาจารย์สมเกียรติได้ถวายการรักษาให้พ่อท่านนะครับตอนที่ไปพบที่โรงพยาบาลเอกชัยนะครับอันนี้ก็แนะนําพ่อท่านนวดตาได้ตัวเองนะครับอันนี้ก็าสามัญนอีกท่านหนึ่งที่ไปด้วยนะครับก็อาจารย์สมเกียรติได้บอกว่าคนไทยสามารถดูแลรักษาตาด้วยตัวเองนะครับง่ายๆเหมือนปอกปุ๊ ได้ง่ายยิ่งกว่าขอกกล้วยเข้าปากนะครับโดยมีประสิทธิผลสูงแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายมีนิดเดียวครับในที่นี้มีท่านใดมีปัญหาโรคตามไหมครับเป็นต้อหินมีไหมครับหรือท่านใดพึ่งไปผ่าตัดตามาครับมีไหมครับภายใน3เดือนมานี้ไปผ่าตัดตามามีนะครับครับก็ท่านที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้อย่าทํานะครับ อย่าเพิ่งทำนะครับนะฮะผมพอดีบรรดาครูหมอที่ไปไม่ยอมขึ้นมาสาธิตนะครับอ๋อกลัวลาไม่พอครับเอาสั้นๆนิดเดียวครับเพื่อให้ได้ประโยชน์นะครับวิธีการนวดตาด้วยตัวเองนะครับก็ใช้ฝ่ามือแล้วนี่ครับฝ่ามือครับครับตรงอุ้งมือที่อยู่ติดกับข้อมือ ครับกับตรงบริเวณลูกตาเราเนี่ยเราคำดูเราจะเห็นว่ามีกระดูอยู่รอบๆนะครับนะครับให้เอาสันมือตรงนี้นะครับกดไปที่ไม่ใช่ที่กระดูกนะครับกดไปที่ลูกตาที่อยู่ระหว่างกระดูปิดตาก่อนนะครับหลับตาบแล้วก็กดลงไปครับครับน้ําหนักของการกดเนี่ย ค่อยๆเพิ่มนะครับอย่าไปกดแบบกระแทกแรงๆนะครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักแล้วก็จนรู้สึกว่ามันมีแสงในลูกในตาเราเนี่ยที่เราหลับตาอยูน่ น, นะครับมันมีแสงนะครับแสงปรากฏขึ้นนะครับบางคนอาจจะเห็นเป็นแสงสีขาวบางคนอาจจะเห็นเป็นแสงระยิบระยับนะครับก็ให้สังเกตระดับของความ แรงหรือน้ำหนักของการกดครับจนเกิดแสงอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็จำไว้ว่าเราจะกดน้ำหนักประมาณนี้ครับใค ร, ใครยังใครยังทำไม่ได้ไหมครับ <c oughs> นะนะฮะิธีกดนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้อุ้งมือตรงที่ติดกับข้อมือนะครับที่มันนูนๆขึ้นมาตรงนี้ฮะ กดไปบนลูกตาที่เราหลับตาแล้วนะครับกดไปบนเปลือกตาที่เราหลับตาแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่กดตรงกระดูกนะครับเราคํำดูรอบๆลูกตาเราเนี่ยจะมีกระดูกนะครับแล้วกดลงไปบนลูกตานะครับน้ําหนักค่อยๆเพิ่มแรงกดนะฮะจนกระทั่งรู้สึกเหมือนมันมีแสงสีขาวหรือแสงลิระยับเกิดขึ้นนะครับก็จําไว้แล้วก็กดน้ําหนักแค่นั้นแหละครับ ถามว่ากดนานแค่ไหนประมาณ2นาทีท่านนับในใจก็ได้ครับนับ1 2 3 4 5 6 7้าไปจนถึง120ก็จะได้ประมาณ2นาทีแล้วก็ค่อยๆ ค, คลายออกนะครับเวลาคลายก็อย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆลืมตาเหมือนเราตื่นนอนตอนเช้านะครับทำอย่างนี้วันละ กี่ครั้งครับอาจารย์หนึ่งถึงครั้งต่อวันกับสำหรับผู้ที่มีอาการจอประสาทตาเสื่อมอาจารย์หมอสมเกียรติก็แนะนำว่าอาจจะทำบ่อยขึ้นนะครับก็ จ, จะช่วยนะครับอาจจะถึง6ครั้งนะครับตอนนี้ในเชิงทฤษฎีในทางทฤษฎี ทำไมการนวดกดบนลูกตาแบบนี้ถึงช่วยนะฮะรักษาหรือบำบัดอาการจอประสาทาตาเสื่อมจริงๆเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่เชื่อว่าการกดเนี่ยมันเป็นการปรับสมดุลของแรงดันภายในลูกตานะครับเมื่อสักครู่ผมอธิบายว่าลูกตาเราเนี่ยเหมือนลูกบอล น, นะครับถ้าลองนึกดูนะครับ ลูกบอลข้างในมีน้ํามีวุ้นในตาอยู่นะครับ เ, เลือดที่เข้าไปเลี้ยงก็วิ่งอยู่ในลูกตาเราเนี่ยนะครับการเราไปเพิ่มแรงกดเนี่ยมันเหมือนการไปนวดปรับสมดุลนะครับท่านเคยเห็นท่อน้ําในห้องน้ําท่อน้ําทิ้งที่มันตันไหมครับเวลาท่อน้ําทิ้งมันตันเราทําไงครับเราจเจาะลูกยางไปกดตรงท่อใช่ไหมครับ แต่เวลาท่านกดท่านอย่าไปกระแทกแรงๆนะฮนะถ้าท่านกระแทกแรงๆไอ้ข้อต่อของท่อน้ำทิ้งมาจะหลุดได้นะฮะตะกี้ถึงบอกว่าค่อยๆครับจริงๆเวลาเราทํ า, า, าระบายท่อน้ำทิ้งที่มันอุดตันนะครับโดยใช้ลูกยางเนี่ยจริงๆค่อยๆกดครับท่านค่อยๆขยับค่อยๆขยับเพราะนั้นเวลาท่านนวดก็เหมือนกันครับค่อยๆกดค่อยๆเพิ่มแรงดัน แล้วถ้ารู้สึกมันตึงมันปวดเราก็หย่อนน้ำหนักลงนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้สมดุลของแรงดันภายในลูกตาซึ่งจะเป็นแรงดันที่จะช่วยทาให้เลือดไปเลี้ยงภายในจอประสาท ต, ตาของเสียที่มันอาจจะตกค้างมันอาจจะติดค้างอยู่ในจุดต่างๆอาจจะมีการขยับขยื่นนะครับอันนี้เป็นแนวคิดทฤษฎีที่เรา เราพิจารณาจากโครงสร้างของลูกตานะครับแต่ยังไม่มีใครพิสูจน์ยืนยันนะครับว่าจะถูกต้องตามทฤษฎีนี้ไหมแล้วก็สิ่งที่อาจา ร, รย์หมอสมเกียรติได้นามาเผยแพร่เนี่ยเราก็พิจารณาแล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีงานวิจัยพิสูจน์ยืนยันนะครับจริงๆอาจา ร, รย์หมอสมเกียรติเคยขอให้ทางคุณหมอเทวันนะครับผู้ในการสำนักการแพทย์ทางเลือกของกรมเนี่ย มาช่วยทำวิจัยนะครับแต่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับยังไม่มีผลสรุปที่แน่นอนแต่ผมคิดว่าวิธีการนี้ก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่นำมาเรียนความก้าวหน้าของสิ่งที่โครงการขยายยุคไขได้ เข้าไปดําเนินการนะครับในส่วนของการดูแลสุขภาพของพ่อท่านด้วยแล้วเป้าหมายสำคัญวัตถุประสงค์สาคัญที่ผมกลับเรียนว่าเราตั้งใจว่าจะนําความรู้ที่ที่ได้เนี่ยนะครับมาเผยแพร่ขยายผลให้ชาวโซนทุกคนได้รับประโยชน์ด้วยจากโครงการขยายยุค ข, ขครับครับขอบพระคุณคุณหมอขวัญชัยอย่างมากครับผมขอเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่ง เทาที่คุณหมอสมเกียรติตั้งความหวังไว้นะครับว่าอยากจะให้คนที่ยังมีอายุน้อยเนี่ยเช่นระดับเยาวาชนเด็กนี่นะครับน่าจะได้ฝึกลักดูแลลูกตาตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อจะทําให้ดวงตานี้ยืดหยุน่นแล้วก็ใช้งานได้ได้อายุยาวนะครับส่วน ผู้ที่อายุมากแล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเช่นท่านที่ไปผ่าตาแล้วหรือว่าท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกตาอยู่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทีนี้เรามีเรื่องอื่นๆที่ยังอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตั้งคำถาม ได้ช่วยกันคิดว่าในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้นะครับมีอะไรที่จะนำเสนอหรือว่าต้องการให้คุณหมอขวัญชัยก็ดีคุณนพิสิทก็ดีหรือว่าท่านทั้งหลายที่ที่ได้ร่วมกันอยู่ในคณะทำงานนี้ได้อธิบายก็อยากจะให้ตั้งคำถามหรือว่ามีข้อเสนอนะอะไรก็ยิน ด, ดีนะครับนะครับอย่างนั้นดีไหมครับ ทิ้นไม่พูดอะไรหน่อยเลยขึ้นมานั่งแล้ว <c oughs> มีอะไรจะพูดก็พอดีนิดหน่อยนะเราอาจจะไม่เกิน5้าโมงนะนี่เลเข้าไปเก่งก็10โมงครึ่นตอนนี้ก็เลยมาแล้วกับนมัสการพ่อท่านนามัสการหมู่สงและจิกรรมารทุกท่านนะครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับ ระหว่างที่รอท่านกำลังนึกคำถามอยู่นะฮะก็ขออนุญาตกล่าวสิ่งอันพลรานอยนะครับความจริงผมตั้งใจว่าคราวนี้สบายแล้วผมคิดว่าจะมะีท่านดรวิชัยแล้วก็ดกรขวัญชัยซึ่งเป็นตัวหลักแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีประสบการณ์ท่านทำงานนี้อย่างจริงจังแล้วก็ในฐานะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นระดับชาติหมายว่ามีมีบทบาทไปถึงระดับชาติเนี่ย ท่านเอาจริงแน่นะฮะเรื่องนี้เท่าที่คุยกันมาหลังใหม่นะครับกับการทำงานมาแล้วก็ครั้งนี้มีเพราะท่านเป็นผู้ยืนยันด้วยตนเองนะครับในเรื่องการขยายยุคไถจะมีผลในเรื่องของการขยายในเรื่องการนาเสนอหลักธรรมหรือพุทธธรรมออกไปเพื่อมนุษยชาติไม่ใช่แค่ชาวโศกนะฮะเพื่อมนุษยชาติด้วยเพราะว่ามันเป็นเบทีที่มี เหมือนเราไปสุวรรณภูมิแล้วมันสามารถจะไปสถานีประเทศนูปเทศนี้ได้เยอะเลยนะฮะมันเป็นลักษณะทํางานใหญ่ในลักษณะแบบนั้นนะครับก็ผมก็เลยคิดว่าผมคงอยู่ข้างล่างนั่งฟังเหมือนพวกท่านแล้วนะครับพอดอีก็ถูกให้ขึ้นมาพูดแล้วก็พาดพริงถึงผมเล็กน้อยก็เกิดอาการกระสับกระส่ายว่าเป็นตัวหลักนะครับความจรงิงไม่ได้เป็นตัวหลักนะฮะเป็นตัวทํางานเป็นตัวมือไม้ทางที่แล้วก็บอกเป็นด็อก เป็นดอกเขาเคลียร์ขาพ่อท่านคราวนี้ก็เป็นมือไม้ของพ่อท่านจะหยิบจับมาที่น่นที่นี่ทำอะไรก็เป็นลักษณะอย่งางนี้ในเรื่องของธรรมะนะครับทีนี้ในส่วนที่ตั้งใจว่าที่เรามาคราวนี้เนี่ยครั้งนี้เราจะเสนอในเรื่องที่เป็นตัวที่ทุกคนห่วงใยนะฮะก็คือสุขภาพของพ่อท่านแล้วก็เราก็เน้นในลักษณะเรื่องของซ่อมสร้างนะเป็นเป็นเฟิร์สเฟสหรือเป็นเป็นขั้นตอนแรกแล้วธนุบำรักษาในระยะยาวเป็นช่วงถัดไป Uh, ติด อ, อันดับหนึ่งตอนนี้คือเรื่องตานะครับสุขภาพตาเป็นความเร่งด่วนนะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ติดตามใส่ใจจากท่านปัตชานะครับเราก็ได้ดำเนินการตรงนี้เป็นเป็นเรื่องเรื่องแรกหรือเรื่องด่วนเร่งด่วนแซงเรื่องอื่นๆไปหมดเลยนะครับก็ได้มานําเสนอคราวนี้ไปนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะฮะอย่างในเรื่องกระดูกบางหรือเรื่องอะไรบ้างอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะทำงานซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีหมอ หลายหมอมากขึ้นแล้วนะฮะหมอสมเกียรติหมอเทวันหมออีกหลายท่านด้วยกันนะฮะที่มีชื่อเสียงคุณวุฒิที่ชํานาญในหลายๆด้านเข้ามาและเห็นความสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่ดีนะฮะแล้วที่เป็นมิติที่ดีมากก็คือบรรดานาิชการที่มาอยู่ในนี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่ามีส่วนร่วมนะครับคือเราไม่วิจัยแค่ความรู้เฉยเราต้องผ่านประสบการณ์คือภาคปฏิบัติด้วยนะฮะ ครั้งที่แล้วก็มีบอกแล้วนะว่าเรา7วันนะครับวันจันทร์วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์ถ้าเราทำครบ7วันเมื่อไหร่ก็เราก็ถือศีลในข้อนั้นๆหรือฐานศีลนั้นๆได้แน่นอนนะครับก็ท่านอาจารย์แล้วก็หลายท่านที่ได้คลิกเข้ามานะฮะก็มาร่วมในใ น, ในตอนตอนนี้แปล ว, ว่าว่ผ่าน7749ไปแล้วนะครับแล้วก็ว่าครบทุกทุกวันแล้วนะฮะเพราะว่ามีคนมาร่วมเนี่ย เจ็ดวันเนี่ยมีครบหมดละนะครับตอนนี้กําลังใกล้ๆจะเจฮะหกกว่า70็หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็กําลังดูตัวเลขที่เป็นมงคลเหล่านี้อยู่นะอันนี้ก็เป็น4ิ่งอภ า, าน้อยอันที่2องนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติที่เอายกระดับมากขึ้นนะฮะเพราะเราถือว่าการที่นําเอาเรื่องของเวลา7วันเข้ามาเนี่ยความจริงก็เป็นความรู้ในระดับละเอียดที่พอนขณนะนี้กำลังพูดถึงเรื่องที่จะต้อง ไปเกี่ยวกับกาละสกาละคือปัจจุบันอดีตอดีตที่เนื่องการนาคตแต่ทั้งหมดนี้โ ย, ยงไปโยงมาสรุปว่าเรื่องง่ายๆคือ7วันนี้เท่านั้นเองนะฮะถ้าเราจับตรงนี้ได้เราก็จะเชื่อมต่อธรรมะละเอียดของพระท่านได้งานเราจะมีฐานนะครับที้ถัดมาเราก็มาขยายต่อในเรื่องของสมาสังกปะเจนะครับเพราะว่าถ้าได้สามาทิฐิและสมาสังกปะเจแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าเราเข้าอยู่ในกระแสของสมยัยมมองแปดนะฮะ สมาอีกอื่นๆที่ตามมาก็จะตามมาได้นะทีนี้เราจะเข้าสู่สมาสัง ก, กรปปะเจตได้อย่างไรนี่ก็เป็นคําถามวิจัยละเพราะสมาสังกัปปะเจตนี่มีนัยยะที่ว่าจะปลดปล่อยพลังงานเพราะเป็นไดนามกเป็นพลังงานไดนามิกนะครับเรามีสมาธิเนี่ยเราเราเหมือนเป็นพลังงานศักดิ์เรามีที่ตั้งอันดีและมีที่รวมศูนย์ของพลังงานแล้แต่เราจะปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมาอย่างไรตัวกักเก็บคือกิเลสหรือตัวที่เราปลดออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสัง ก, กัปปะเจต จึงมาช่วยตรงนี้นะฮะทีนี้ตรงเนี้ยเราก็ได้คุยกันในเวิร์กช็อปในในทีมคณะงานว่าเราก็ใช้สูตรพินสาสายของพระพุทธเจ้านะฮะก็มีเสียงทุม้มเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงนะครับนีเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงสูงก็แปลว่าหลักก็คือว่าท่านมีเสียงทุม้มนี่คือฐานที่ท่านสบายแะแต่ว่าอย่าติดนะตั้งตนอยู่ความลำบาก แต่จริงๆเราต้องไขให้รู้ก่อนว่าเราจะลำบากขึ้นจากที่เราสบายแล้วหลายคนยังไม่มีฐานสบายเลยไปไปก็ไปลำบากซะแล้วสักพักก็ไปไม่แล้ว <c oughs> จอดจอดสักพักก็ไม่ไม่แจวต่อแล้วนะฮะก็เลิกกันไปแต่ถ้าเป็นลักษณ ะ, ะจากที่เราได้นะฮะอย่างเช่นคนยังไม่มีฐานจีนห้าก็ทำยังไงขึ้นมามีฐานจีนห้าอย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่จีนห้าสบายแล้วนะฮะในหลักฐานสีนะฮะไม่ใชพูดถึงเป็นตัว อาเจคศีนแต่ว่าระดับฐานศีนที่สบายๆแล้วเราจะยกระดับเข้าสู่ศีนแอย่างไรอันนี้เผอิญคณะทีมงานของเราค่อนข้างจะอยู่ในฐานนี้กันเราก็เลยหยิบยกเอาตัวพินสามสายเนี่ยมาทดลอง practice นะฮะหรือทดลองฝึกฝนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ขึ้นมาเราก็กําหนดรหัสจากอันนี้เป็นอีกอันนึงแล้วนะฮะรหัสในการที่จะเข้าสู่การปลดปล่อยพลังงานเนี่ยจริงๆมันก็มีแค่3ามแล้วก็ศูนย์ นะครับสเนี่ยคือฐานของศีล5 2เนี่ยคือฐานของศีลแนะเพราะศีลแนี่ลดละตันหาลดละโดยตรงเลยนะฮะแล้ว2นี่คือตันหานี่แหละเป็นคู่2นะฮะงั้นตัวนี้คือตัวลดส่วนศีลสิบหรือฐานธนาคามีเนี่ยก็คือ1 น, นะก็คือมีจิตเป็น1และแม้ศูนย์หรือความสงบก็ยังเป็น1แล้วก็ต้องลปล่อยหรือเข้าถึงใจกลางของศูนย์นะฮะ แตกพลังงานซูมาอีกอันนั้นคือฐานของอรหันต์หรืออัตผลนะครับอัตผลหรือหัตตมรรคก็ได้นะครับตรงนั้นก็ะหัสก็จะมีอยู่อย่างนี้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นแม้เราจะขยับศีล5้ขึ้นศีลแปแล้วสมมมาสังกบ7เนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรพินสมสายนะ mm hmm. ก็คือเราก็ได้กำหนดข้อแพ็กซี่ขึ้นมาว่าในวันพุทธพฤหัสนะหรือคนอื่นเนี่ยเราก็จะยกอัตจาก สมื้อของศีลแทั่วไปนี่2มื้อนะฮะศีลแปมื้อเป็นที่รู้กันทั่วไปถ้าถ้าเราต่ำกว่านั้นก็อายเขานะฮะเราจะทําที่1มือ้อนะครับที่1นึ่งมืออ้อแล้วก็วันศุกร์นะฮะเราก็เป็นสูตรมือ้อคือโนมิวส์นะไม่มีมื้อนะฮะอย่าบอกว่าอดอาหารเนี่ยเรารับสารอาหารจากเครื่องดื่มนะครับรับอาหารจากเครื่องดื่มรับสารอาหารอยู่แต่เราจุดประสงค์เราไม่ได้ต้องการจะมาบัญญัติศีลที่ ผู้จ้าไม่ได้บัญจัติไม่ใช่แต่ว่าเราเราเร า, เราบันเลงด้วยพินสามสายแล้วอาจารย์ดรขวัญชัยบอกว่าในทางโลกเนี่ยเรื่อง no meals หรือว่า fasting เนี่ยนะมันเป็นระบบล้างพิษที่ดีที่สุดของธรรมชาติซึ่งมันก็โยงมาเรื่องกระบวนการของการล้างพิษอยู่ว่าเราไปเน้นกระบวนการ push คือเอาน้ำมันมากอกเนี่ยมาเกิดการกระตุน้นแล้วก็ขับให้ร่างกายทนไม่ได้แล้วขับสิ่งที่เป็นส่วนขยะส่วนนี้ออกมา แต่ลืมไปว่าจริงๆส่วนสำคัญในกระบวนการล้างพิษคือการล้างพิษธรรมชาติคือการลดสารอาหารก่อนหน้านั้นส3าวันน ะ, ะแล้วแต่บางคนก็4ี่วันนั่นนะคือกระบวนการดึงไขมันต่างๆเนี่ยเข้าเข้ามาและไขมันเนี่ยถ้าถี่ผมทราบจากคุณหมอก็บอกว่าไขามันเนี่ยคือทางขยะที่รองรับพอลูชันสารพิษทุกชนิดอยู่ในนั้นเมื่อร่างกายดึงออกมาจากทุกส่วนของร่างกายเพื่อขับออกเนี่ย แม้จะไม่มีน้ํามันมากอก น, นะฮะฟาสติ้งเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วก็ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาทาได้ทําไมเราปฏิบัติเราจะไม่เอามาแต่เราเอามาเราต่างกันคือเราจะมาสร้างเหมือนกับกระแสให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดกระแสพลังงานเป็นระบบงั้นทุกๆหนึ่งอาทิตย์เรามีวันพักคือศูนย์มือนะฮะร่างกายทั้งหมดได้รับการพักอวัยวะสําคัญสำคัญทั้งหมดได้รับการฟื้นฟูเพราะพักถ้าเมื่อไหร่ท่านกินเนี่ยอวัยวะทุกส่วนทํางาน หัวใจเอ่ยปอดเอ่ยตับไตเส้นพุงทางานแต่ถ้าท่านไม่กินพา ะ, ะหลักของร่างกายส่วนใหญ่จะได้พักเอาวัฒนธรรมคัญต่างๆก็ได้พักด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้มันเป็นระบบที่ดีมากงั้นท่านมีระบบของการฟื้นฟูตัวเองทุกสัปดาห์ร่างกายท่านได้รับการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมและมีาทางวิยทยาศาสตร์วิจัยรองรับว่าเป็นผลดีและเป็นหลักการของหลักการหลักสําคัญที่การรังพิษยังไม่ได้ดึงขึ้นมานะฮะดึงแต่กระบวนการผลที่ว่าเอาน้มามันกอกขับออกมา แต่ไม่รู้ว่ากระบวนการธรรมชาติที่สมดุลเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเลยเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ท่านทําอาจจะเดือนหนึ่งครั้ง2เดือนครั้งแต่นี่เราทําทุกอาทิตย์นะโดยระบบฟาสติ้งไม่ต้องมีน้ํามันประกอบ ก, ก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ว่าเราไม่ไม่มีน้ํามันกรนะกอเนี่ยอันนั้นคือเป็นระบบอ่าระบบพุชคือคือคือฟอสคือผลักดันออกไปแต่นี่คือระบบพูหรือดึงหรือทางบวกให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลของธรรมชาติเราเรียนรู้กับกายของเราเบื้องต้นก่อน กายของเราไม่มีใครจะรู้ได้ถ้าเราไม่พคทิสสื่อหรือว่าทํางานร่วมกับกายเราอันนี้ก็คื อ, อขั้นตอนที่2ที่เราเวิร์กกันมาในเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็เริ่มมีการปฏิบัติแล้วส่วนตัวผมเองก็แปลกมากคือมาพบว่าเมื่อเข้าสู่ระบบของการที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่รับมดมือนะฮะงดมือหายเนี่ยกายเราได้พักพอกายเราได้พักเนี่ยจิตเราเนี่ยรวมได้ง่ายมากเลยรวมสงบลง ม, มาได้ง่าย เราทําก็มีสมาธิทำงานนี่ยพอเราพักงานปุ๊บอะไรจะพักพอพักปุ๊บจิตเนี่ยเราเหมือนกับสบายและสงบรวมลงมาเรานึกถึงตอนที่เราพยายามทําเจสมาธิกําหนดนิมิตอะไรก็แล้วแต่โอ้พยายามตั้งมากมายมันไม่ค่อยจะรวมอะรวมลงแป๊บหนึ่งมันก็จะไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เราไม่ต้องรวมเลยมันรวมลงให้อ <laughs> เองเอ๊ะทำไมมันมันมันง่ายมันจับปลายอะอ๋อมันเป็นความสมานระหว่างกายกับจิตอ่า ล้วที่ว่อ๋อที่เขาจะไปกลายไปสู่สภาพชั้นสูงจะเป็นวิเวกแล้วจิต ก, ก็เลยวิเวกด้วยเนี่ยมันเป็นเหตุปัจฏิยาการกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นกายหยาบๆบตอนเนี้ยเราเอาให้ให้ให้ให้ให้ใหเรียกอะไรฮะให้เกิดความสงบระดับหนึ่งเป็นระบบธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องอนําความคืบหน้าของทางที่ว่าคณะวิจัยไม่ใช่มาวิจัยความรู้เฉยๆเอาเอาเอาตัวต้องผ่านระบบผ่าแบบที่มีประสบการณ์หรือ Experience ต้องมี realization ขึ้นกับคณะตัวพูดทำงานเองด้วยนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาทำนะแต่ว่าเราเรามีความรู้เราก็ค่อยๆมาเรียบเรียงแล้ว ย, ย่อยนะี่<ร>ำเสนออีกทีหนึง่งแล้วเราก็คิดว่าเนี้ยมันสอดคล้องเราส่งเสริมกับความรู้ที่เป็นพื้นฐานรองรับธรรมะของพ่อท่านโดยที่โยงกับอ่นัยความหมายของที่พ่อท่านพูดถึงธรรมะละเอียดและพยายามจะพูดในษาภาษาที่หยาบๆนะครับ เราก็หลายคนก็บอกว่าไม่สามารถจะสัมผัสได้ผมก็เลยบอกงั้นเรามาทํากับกายหยาบๆของพวกเราทุกคนที่มีปัญหากันอยู่ยังไม่ได้สมดุลแต่ใช้หลักธรรมะละเอียดที่พ่อให้มาเนี่ยเอามากํากับหรือมาเป็นกายลายแล้วเป็นตัวนําพาเราลองมาค้นคว้ากันดูนะนี้เราก็กําลังทํากันอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำเนี่ยนะฮะทำไปทุก7วัน7วันไปเรื่อยมันเกิดกระแสแล้วกระแสเนี่ย ถ้าในตำนานถ้าใครจำได้นะฮะมีมีนารายจิตปางปางหนึ่งนะฮะต้องควนเกษียณสมุดแล้วเกิดน้ำอมฤตอันนี้เป็นเป็นตำนานนิดหน่อยนะฮะมาประกอบสีสันเล็กน้อยว่าสิ่งที่เราทำไปเรื่อยเป็นกระแสเนี่ยจริงๆแล้วก็จะสอดคล้องกับอมฤตคื อ, ค, อคือธรรมะหรือวิบุติธรรมในที่สุดแล้วระบบหมุนเวียนเนี่ยก็จะสอดคล้องกับหลักธรรมะของท่านที่เรียกว่าคัมภีราหรือหมุนรอบเชิงซ้อน เรายงเราจะรอบให้เชิงซ้อนรอบขึ้นไปอย่างไรแม้กระทั่งหมุนในระดับรอบแรกเราก็ยังไม่เกิดตอนนี้เรากำลังหมุนเวียนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สิ่งอนมามอยอันที่สองนีในส่วนที่สามที่ถูกพูดถึงก็คือว่าผมทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นลักษณะที่อาศัยความเป็นวิชาชีพนะที่ว่าทำโปรเจกต์ทยอะไรได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งที่อย่างเช่น ยกตัวอย่างท่านนะฮะสิ่งสมมว่าตึกเนี้ยยังไม่ได้สร้างเลยนะครับเราก็สร้างเป็นแบบขึ้นมาทุกคนก็คิดแต่ว่ามีแบบเราก็สร้างแต่จริงๆแล้วในขั้นตอนทํางานของตำมานิกเนี้ยมันต้องละเอียดกว่านั้นก็คือว่าดูแบบแล้วเนี้ยสามารถบอกว่าแบบตรงนี้โยงกับแบบรูปด้านโลงกับแบบรูปตัดโยงกับแบบทัศนียภาพตรงไหนที่มันไม่ตรงกันตรงไหนที่ดูแล้วมีปัญหาเมื่อมีปัญหาจุดนี้เสร็จต้องไปตามไปแก้ในแปลนในใ น, ในรูปด้านรูปตัดอื่นๆด้วย นะอันนี้คือความสามารถที่เรียกว่าเป็นระดับมิติของอรูปนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีเห็นแล้วก็ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีเกิดและคนเห็นเหล่านี้ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นจึงมีการเหมือนกับมีการ practice ในเรื่องของอทวารหานะฮะที่เราเห็นรูปเข้าไปยจนถึงความนึกคิดที่เป็นแบบแปลนเป็นรูปนะฮะแล้วก็ไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้ฮะที่เรียกประสบการณ์และทักษะอันนี้เป็นระดับมิติของรูปมันถูกฝึกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนําพื้นฐานเหล่านี้มารองรับ การร้อยเรียงเรียบเรียงธรรมะของพรอท่านที่ขนาดนี้ครอบคลุมหมดเลยโดยยิ่งๆในระดับปฏัจจุบันด้วยวิโมกษ์แด้วยธรรมะสูงๆต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเป็นระดับหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นระดับธรรมะอรูปแต่จริงๆพราท่านก็เกลี่ยออกมาว่ามันต้องครอบคลุมหมดทั้งในในในการมาพการมภูลุมรูปภูมคุมอรูปภูมิหรือกามาพบรูปพบอรูปพหมดงั้นเมื่อเราเข้าใจโครงแบบจับยามง่ายๆเราก็สามารถนําพาหรือเชื่อมต่อไปหาธรรมะที่ละเอียด อันนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นคุณอุปการจากการทํางานตรงนี้แล้วก็มีการเชื่อมโยงมิติเหล่านี้ผ่านระบบกระบวนการการฝึกฝนให้เราเห็นนะครประสบการณ์เหล่านี้ขึ้นมาแต่หลายท่านที่หนึ่งมื้อไปแล้วหรือว่าศูนย์มื้อไดอ้สิบวัน20วันเลยมาแล้วอันนี้ท่านก็ต้องหาพิมสามสายของท่านเองนะฮะว่าท่านจะเลือกอะไรไปทําสูงกลางต่ําอย่างที่ว่านั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คิดว่าได้ใช้เวลาพอสมควรที่ พอจะเกลี่ยให้ในส่วนที่เสริมนะฮะงานวิจัยและงานวิจัยเนี้ยเป็นเรื่องที่มีผลต่อมนุษยชาติแน่นอนนะครับซึ่งในมิติของขยายไปถึงขยายพุทธชีวีด้วยซึ่งเป็นมิติในระดับอรูปชั้นสูงเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ผมก็จะทําต่อเนื่องไปในเกี่ยวกับโครงการของหลวง ป, ปู่วิชิตอวิชาตรงนั้นนะครับ ก็คงจะมีภาคไปขยายตรงนั้นกันอี ก, อกนิดหนึ่งนะครับคง ม, มันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นระดับพื้นฐานที่เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับชีวิตอันนั้นส่วนกับด้านวิญญาณถึงระดับวิญญาณของพุทธชีวีเลยเนี่ยเราเราจะมีธรรมะยังไงซึ่งทั้งหมดก็มาจากพ่อท่านเองกันเพราะนั้ น, นก็ในฐานะอศกลำลึกเราก็ควรจะลำลึกถึงพ่อท่านในมิติที่พ่อท่านยิ่งใหญ่อย่างไรด้วยนะครับ ซึ่งผมคงสะท้อนได้เล็กๆน ะ, ะหลายๆท่านก็คงจะเห็นความยิ่งใหญ่ของท่านอีกมากมายตามมิติของท่านที่ท่านมีแล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนสุดท้ายเนี่ยนะครว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยเรามีพลังงานเหล่านี้แล้วก็มีความสามารถเหล่านี้โดยยิ่งพิณสาสายพวกนี้ยเยอะมากในทางรูปธรรมในหมู่กลุ่มของท่านเนี่ยถ้าท่านจัดจัดเป็นกลุ่มเป็นอะไรขึ้นมามันจะเกิดมวลหรือเกิดโหนดในภาษาเนี่ยนะเกิดเป็นเป็นโหนดเ ป, นเป็นเป็นเป็นจุดจุดของแหล่งศูนย์พลังงานที่จะเกิด แล้วเมื่อเหล่านั้นเนี่ยท่านสามารถลิงก์ n g นสื่อสารเข้ามาเนี่ยคณะทํางานเราก็จะมีตัวข้อมูลทางวิจัยนนในเชิงปริมาณนําเสนอออกไปอีกนะครับทางสกว เ, เลขาที่ผมเปพบบอกว่าถ้าคุณมีเสถียรนำเสนอมาเป็นโมเดลนะถ้าหาว่าตัวนี้คุณสามารถนําเสนอในเชิงปริมาณว่ามีเช่นอโศกที่เชียงใหม่ที่ทังภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือภาคกลาง สามารถทําอย่างนี้แล้วได้ผลเหมือนกันแต่ในวิธีการละไรอาจจะต่างกันแต่ผลและวิธีการกระบวนการเหมือนกันคุณนําเสนอในนักศึกษาเป็นทฤษฎีได้เลยนะไม่ทราบจะเรียกกราวด์ทฤษฎีหรือเปล่าหรือเป็นในระดับทฤษฎีไม่ใช่โมเดลแล้วนะครับเพื่อให้ใหเพื่อใหอ้ชาวโลกได้รับรู้ในนักศึกษาที่มีน้ําหนักและมีความหนักแน่นน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะผ่านกระบวนการนอกจากผู้สอนคือม essenger ใช่ไหมครัตัวตัวผู้ ผ, ผู้ผู้ส่งนะครับเราเป็น receiver เราเป็นผู้รับแล้วเราได้ผลจากการสังเคราะห์ปฏิสังเคราะห์แก่กันและกันอย่างไรเ น, นี่ยงานวิจัยจะนําเสนอในชุดที่เป็นหลักวิชาการแบบนี้จริงๆนะไม่ใช่ว่าในฐานะมานิยมหรือมาอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรกับอโศกอะไรอย่างงี้ไม่ใชนะ่เรามาค้นหาความจริงและนำเสนอความจริงไปดงั้นความจริงที่เรานาเสนอได้ก็อยู่ที่ว่าความจริงนั้นมีแค่ไหนหรือความสามารถของผู้ทําวิจัยและคณะรวมวิจัย มีความสามารถที่นําเสนอความจริงนั้นได้แค่ไหนอาจจะมีความจริงที่ยังไม่สามารถถอดออกมาหรือนําเสนอมาก็เป็นไปได้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องเช่นนี้เองนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องตาครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ตอบคําถามครับก็เผอิญมีคําถามขึ้นมาถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตานะครับว่าเคยเป็นต้อหินแล้วก็ไปยิงเลเซอร์เมื่อ6เดือนก่อนนะครับ ต้องหยดยาปฏิทุกวันแล้วก็ไปจนตลอดชีวิตนะครับจะสามารถนวดตาอย่างที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าการนวดเนี่ยนะครับการนวดตาที่สาธิตไปเมื่อสักครู่เนียในกรณีที่เป็นต้อหินแบบชนิดที่เราว่าเราเรียกว่ามุมปิดเ้าเรียก close angle comma นะครับแบบมุมปิดอันนี้เป็นข้อห้ามครับไม่ควรนวด นะครับแล้วก็ข้อห้ามอีกข้อนึงก็คือท่านที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดตามาภายใน3เดือนนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายว่าการนวดเนี่ยเหมือนเราเอาเอาไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ที่ปั๊มระบายน้ำนะครับไปไปไปกดนะครับตอนนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยแผลอาจจะยังไม่สนิทเราไปกดกดอท่อที่เพิ่งต่อใหม่ๆเลยหลุดนะฮะ หรืออันตรายนะครับส่วนส่วนต่อหินแบบมุมปิดเนี่ยเปรียบเสมือนท่อมันตันไปแล้วครับท่านจะไปกระทุ้งยังไงมันก็ไม่ไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยาการยิงเลเซอร์เนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ควรจะหลังจากที่รับการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ไปแล้วาสามเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดส่วนถ้า ท่านใดอยากจะมีข้อคําถามในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตานะครับก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงนะครับเราคงก็พบกันอาจจะชั้นสองได้ครับก็มีคุณหมอเทวันมีผมมีหลายท่านอยู่ก็คงจะได้ช่วยกันให้คําอธิบายครับแล้มีคําถามจากพวกเราอีก2ข้อนะครับซึ่งเป็นเรื่องงานวิจัยนะครับข้อแรกบอกว่าโครงการ ข า, ขายเนี่ยมีระยะเ ว, เวลายาวนานเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เียนว่างานวิจัยที่จะต้องติดตามผลอย่างนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีงานวิจัยที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีครับสองปีเนี่ยเราก็จะดูในรอบอทั้งฤดูกาลด้วยในรอบของการติดตาม สิ่งที่เราได้รักษาได้ดําเนินการแก้ไขด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ า, าสมมุติว่าจบ2ปีแล้วเราก็เห็นผล อ, ออกมาส่วนหนึ่งแล้วนี่นะฮะเราก็จะพอทราบว่าเราจะต้องทําต่อไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนในเบื้องต้นว่ า, างานวินงานนี้อย่างน้อยต้อง2ปี แล้วก็เราจะมีขั้นตอนในการดาเนินการต่อไปอีกอเป็นช่วงๆนะครับซึ่งอาจจะยังตอบไม่ได้ว่าเราจะติดตามเนี่ยไปซักยาวนานแค่ไหนจึงจะสามารถสรุปความเป็นไปนได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลของการศึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะ เรียนกว้างๆว่าอย่างน้อยสองปีก่อนนะครับแล้วก็จะมีช่วงเวลาเวลาละหนึ่งปีหนึ่งปีต่อไปเรื่อยๆนะครับครับคำถามข้อที่สองก็คือว่าและกลุ่มที่ร่วมรับรู้ในงานนี้เนี่ยหมายถึงกลุ่มอโศกหรือกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากชาวอาโศกด้วยนะครับกลุ่มที่ร่วมรับรู้เนี่ยแน่นอนครับก็ อันดับแรกเนี่ยก็คือต้องเป็นชาวอาโศ ก, ก่อนเมื่อเรานำเอาผลเนี่ยมาเผยแพร่ม า, ารับรู้พูดคุยกันให้ให้ตกผลึกก่อนแล้วเราก็จะเผยแพร่ผลของการศึกษาเนี่ยไปยังวงนอกด้วยนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ใช่ไครับนะครั บ, นะรบท่านที่มีคำถามไว้หรือว่ า, ามี ประเด็นที่อยากจะเสนอแนะขอเรียนเชิญ น, นะครับมีไหมครับครับคี้อาจารย์พูดถึงว่าชาวโสกจะมีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมงานวิจัยนี่นะครับจะให้ขยายหน่อยครับว่ามีจะเข้ามาในรูปแบบยังไงนะครับ การมีส่วนร่วมในในลักษณะอย่างไรนะครั บ, ร บ, บช่องทางช่องทางจะเข้ามาเข้ามาอย่างไรครั บ, รบติดต่อใครขอบคุณนะครับเรื่องอองานวิจัยเนี่ยเราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับคณะทำงานเนี่ยก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลการออกแบบตัวชี้วัดตัวแปรรายต่างๆนะครับแล้วก็ จะนําผลที่ได้เป็นระยะนีมานําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สามารถจะเข้ามาร่วมได้กลุ่มแรกเลยก็คือคณะทำงานวิจัยนะครับท่านที่มีข้อมูลมีองค์ความรู้เช่นบรรดาแพทย์ทางเลือกต่างๆเนี่ยเราถือว่าจะต้องอยู่ในคณะทำงาน เพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาผสมผสานมาเพิ่มเติมมาแก้ไขปัญหาที่เรายังไม่มีคำตอบนะครับเป็นเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับทีนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ถัดไปก็คือว่าเมื่องานวิจัยเนี่ยมีส่วนที่เป็นตัวแปรนาเข้านะครับก็คือเรื่องของอาหาร เรื่องของการดูแลสุขภาพที่เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสปายะอะไรต่างๆที่พ่อท่านได้ไดกล่าวไว้นี่ครับ<ม>ก็เชื่อ ว, ว่ามีหลายกลุ่มที่จะต้องเข้ามาร่วมมือตรงนี้นะครับว่าจะทำอย่างไรจะจัดอย่างไรจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับกลุ่มที่อาจจะ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ทำอาหารโดยตรงนี่นะครับก็อาจจะทำได้ตัวอย่างเช่น ง, งานวิจัยนี้จะบอกว่าอาหารที่ต้องการนะครับในช่วงฤดูการต่างๆในรอบปีเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างตามหลักของการแพทย์แผนไทยตามหลักตามหลักการแพทย์ทางเลือกเนี่ย แม้ว่ า, าไม่ใช่เป็นผู้ที่ปรุงอาหารโดยตรงเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมได้โดยาทางผู้ปรุงอาหารเนี่ยจะแจ้งไปว่าในช่วงนี้เราต้องการอาหารประเภทอะไรบ้างนะฮะแล้วจะได้มาจากที่ไหนบ้างเราก็จะมีรายการแล้วก็เช็คลิสต์ออกมานะครับว่ า, าในช่วงเดือนนี้เดือนนั้นเนี่ยมีอาหารจาก ชุมชนไหนบ้างที่จะส่งเข้ามาได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นความร่วมมือเนี่ยก็จะขยายออกไปในชุมชนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของการรับรู้ก็จะต้องถือว่าชาวอาสมทุกท่านทุกชุมชนเนี่ยจะต้องมีส่วนในการรับรู้ขั้นตอนต่างๆแล้วก็ผลของการทำวิจัยต่างๆแต่ละขั้นตอนด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่อยากจะขอความบุญาให้เข้ามามีส่วนร่วมนะครั บ, บ, บา ม, มา ย, ยอมเปิดใอาตัวนี้ก็ได้ได้แล้วได้แล้วก็เวลาเราหมดลงนะสำหรับการจะนำเสนอรายการสำหรับตอนนี้จะน้าโมงกว่าแล้ว ก็จำเป็นน่าที่เราจะต้องหยุดสั ก, ก่อนเอาความร่วมมืออย่างที่ว่านั้นให้พวกเราตั้งใจเถ อ, อะเราตั้งใจพร้อมที่จะร่วมมือแล้วก็ไม่ต้องกลัวเดยวเราก็คงจะต้องขอความร่วมมือไปในอย่างนั้นเชิงนี้แบบนั้นแบบนี้เพราะเรามีมวลที่เป็นมวลรวม ที่เราพรักพร้อมสามัคคีกันอยู่แล้วในอาตมาคิดว่าการทำงานของพวกเราจะมีประสิทธิภาพดีประสิทธิภาพสูงได้เพราะว่าความร่วมมือนี่มันเป็นสุดยอดของการทำงานนะไม่ใช่เกิดการตามกันเป็นกรรนเฉยๆนะการร่วมมือนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ร่วมมือแล้วมีปัญญามีหลักวิจัยมีความคิด ดูความถูกต้องความผิดพลาดความบกพร่องใช้ปัญญาเลือกเฟ้นและใช้ปัญญาตรวจสอบใช้ปัญญาช่วยกันคิดอะไรอย่างแท้จริงและก็ร่วมมือในการที่จะแล้วแต่ว่าทางนักวิจัยจะมีความคิดควรว่าควรจะได้ร่วมมือจะให้พวกเราทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็คงจะได้ทํากันในอนาคต วันนี้คิดว่าพวกเราคงจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่โครงการเแท่งเถิดเทิงริชุเชิญยิ้มอะไรงั้นมันไม่ใช่แต่เป็นรายการที่อาตมาว่ามันเป็นสาระที่เราพูดไปก็มันก็น่าเหนี่ยม คืเป็นาการที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเราก็ต้องทําอย่างเล็กๆก ๆ, ๆไปเรื่อยจะไปทําเบ่งทําใหญ่ทันทีไม่ดีแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากแต่เราก็ต้องทําอย่างสงวนทาทีเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนหรือว่าคนจะเข้าใจได้ง่ายและเชื่อว่ามีคนมากเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เซอร์อัตมาว่าผู้ที่เข้าใจทางดานยาศาสตร์อยู่บ้างแล้วชี้ว่าเป็นใหญ่บ้างแล้ว พอเข้าใจว่าเขาทำหน้าอยู่แล้วทางด้านโ น, น, นู้นให้ขยายทางกายภาพขยายอายุไขแต่ทางจิตภาพอันนี้สิสําคัญคนยังไม่เชื่อมีแต่ไปเล่นเรื่องลึกลับเรื่องแมจิคออะไรที่มันไม่เคาไม่เคาเรื่องอ่ะมันก็มันไม่จริงหรอกมันจะจริงบ้างก็แล้วแต่ถ้ามันมีพลังจิตที่จริงที่ลึกแต่อาตมาไม่อยากจะเอามาพูดโชว์ แต่ตมาเข้าใจอยู่เราพลังจิตมันมีจริงพลังงานทางจิตมีจริงแต่ทางด้านจริงแล้วเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นจิตวิทยาศาสตร์ของพุทธนเป็จิบุญญาศาสตร์ที่จะมีเหตุมีปัจจัยเอามาเอหิปัสิโกเอาม า, อาให้ดูกันได้เชิญรู้อ ะ, รอะไรๆร่วมกันได้หมด น, นี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะได้นําสิ่งที่มันถือว่าลึกลับน่าลึกลับมันลึกซึ้งมากไม่ใช่น้อย แต่เราก็จะนํามาเสนอให้เป็นที่ประจักษ์สามารถที่จะรวมรู้ร่วมทําร่วมเพราะว่าพวกเรานี่มีเจตนาต่อ ม, มนุษยชาติต้องการที่จะนําความรู้ทําความเป็นจริงในสิ่งที่ดีต่อมนุษย์ชาติออกมาเพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยใช้สายปฏิบัติประพฤติไม่ใช่ทาเพื่อการค้าไม่ใช่ทาเพื่อมาหาเงินหาทองเหมือนอย่างคนวิจัยเนี่ยโอ้โหวิจัยแล้วรวยวิจัยแล้วรวยเราไม่มีรวยแลงอะไรหรอก แต่เราทําเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่สุขดีของมวลมนุษยชาติคิดว่าพวกเราก็คงจ ะ, ะพรักพร้อมที่จะช่วยร่วมมือกันอเอาละสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงก็ข อ, ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งหลายที่จะได้มาช่วยกันนําพาเรื่องนี้ไปสู่ผลสําเร็จในอนาคตขอบคุณผู้ฟังด้วยที่ตั้งใจฟังด้วยดีก็คงจะได้ประโยชน์ จบรายการแต่เพียงตัวนี้จเจริญธรรม ท, ทุกคนอ่ะเารพทำหนึ่งครั้งเพราะเราเองเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราทำนี้เราอิงธรรมหรือว่าอยู่กับธรรมะไปตลอดเราไม่ได้ทำโดยโดดเดี่ยวที่ไม่มีธรรมะ